นั่นความสบายเนาะวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วสามแล้วเนาะเป็นไงตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายช่วงเช้าที่เราไปเดินเนาะที่พระอาจารย์บอกว่าให้เราสังเกตนะหูมันกระทบรูปไม่ใช่ตามันกระทบรูปหูมันกระทบเสียงจมูกมันกระทบกลิ่นใช่ไหมอายัดนะทั้งหมดมันก็ทำงานแล้วมีบางอย่างมันเกิดคืออะไร เมื่อมันกระทบปับ๊บมันลงที่ที่ใจใช่หรือไม่แล้วพระอาจารย์ก็ซูมใจออกเป็นส2บสองช่องเห็นเห็นไหมปฏิจจสมุปาทในช่วงบ่าย ท, ที่เราได้เรียนกันนั่นแหละเนาะคือใจความสำคัญมันมีสิ่งหนึ่งเนาะพอดีมีโอกาสปีเนี้ได้ไปอินเดียแล้วเขาพาไปเที่ยวอชันตาเอลูลาแล้วไปเจออะไรรู้ไหม ไอตัวสถาปัตยกรรมอื่นๆมันก็ตื่นตาตื่นใจอยู่หรอกเนาะแต่มันมีตัวหนึ่งที่แบบมันตอกย้ําที่เราปฏิบัติมาที่ครูบาอาจารย์สอนหรือตามคําสั่งสอนมาที่ผู้เช่าสอนมาคือเรื่องเนี้ยแบบหนึ่งใหมป่ปิดไฟสีเหลืองหน่อยเนาะมันมีไอตัวทําตัวอะไรมันก็ตาการตาอยู่หรอกเนาะเราไปเห็นว่าโอ้มัน ทำเนี่ยเขาสร้างเมื่อ 2,300 ปีที่แล้วเนาะเขาทำบนเขาหินรูปเกือกมา้านึกภาพออกเนาะรูปเกือกม้าเป็นยังไงแล้วก็ไปไปเจาะเป็นช่องเนาะไปเจอะตรงหน้าผาล่ะไปเจาะเป็นช่องเป็นช่องเป็นช่องทําเป็นบสรเป็นวิหารอยู่ในนั้นทําเป็นเสาขึ้นมาอย่างเช่นเสแบบเนี่ยเป็นเสาไม่ได้เอาไมไ่เอาหินภายนอกไปทำนะเจาะจากข้างในแกะสลัก เนื้อหินนะเป็นเสาแบบสมมาตรมา ก, ก touching, เป็นห้องสี่เหลี่ยมสมมาตรบางห้องเนาะประมาณครึ่งนี้แหละใช้เวลาสร้างประมาณประมันสองรีอืปีก่อจะแก่เป็นห้องได้หรือแม้แต่โพธรูปอยู่ข้างในเป็นปางแสดงประทุนเทศนาที่ว่าจับนิ้วที่ว่าสี่นิ้วน้องแบบนี้มาวันนี้แหละก็แก่จากข้างในไม่ได้เอาจากข้างนอกเข้าไปใส่เนาะแก่จากข้างในเลยเป็นองค์เลยแบบสวยงาม เราไปเห็นแวโอ้ตการตามากแบบบางทีเขาสร้างเป็นเจดีอยู่ข้างในแกะจากข้างในเป็นองค์เจดียเลยไปเห็นเนาะแล้วก็มัมนมีตัวนึงเขาเรียกว่าจิตกรรมฝาผนังที่เขาใช้ปูนเปียกเนาะเขาใช้ปูนเปียกให้มันเปียกแล้วก็เอาสีลงเขาเรียกว่าอะไรนะภาษาอังกฤษกโก้หอะไรรู้ไหมอะไร กิจกรรมฝาผนังแบบปูนเปียกที่ว่าเอาสีลงเนาะแบบห้ามห้ามผิดพลาดเลยห้ามมากถ้าวาดผิดก็ภาพเสียเลยอะไรประมาณนั้นนะแล้วเขาก็วาดเป็นเรื่องราวเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับพุทธประวัติเกี่ยวกับพระเวสสันดรด้วยอืมีเรื่องพระเวสสันดรด้วยและมีอันหนึ่งที่น่าสนใจมากเนาะไปะเห็นแล้วแบบแบบมันตึงตาดึงใจตรงนี้แหล ะ, ปะเป็นรูปเนะี่ยแต่อันนี้มันเสียไปแล้วมันมันเสียไป รูปมันเสียหายไปเยอะแล้วเพราะว่ามันอยู่มันอยู่ภายนอกมันอยู่ภายนอกเห็นไหมเป็นวงกลมไหมอันนี้คือปฏิจจสมุปบาท ป, ป, ป, ป, ปฏิจจสมุปบาทเนาะแต่รูปมันเสียหายไปแล้วเหลืออยู่ประมาณ 20% มองไม่ออกแล้วลองคิดดูสิถ้ำเนี้ยกลุ่มถ้ำเนี้ยสร้างเมื่อ2อ0พันาปีที่แล้วและเรื่องราวที่ว่านคือเรื่องปฏิจจสมุปบาทและคิดว่ามันจะเป็นจริงไหมล่ะ เนาะในคำสั่งสอนเหล่านี้ในธรรมบทตรงเนี้ยตอนนั้นมัน 2,300 นปีมันห่างจากสมัยพระเจ้าปรินิพานแค่กี่ปี 2,600 ปี 2,300 ปีมันแค่ 2,300 ปีใช่หรือไม่คิดว่าคำคำทีคสั่งสอนที่ส่งต่อขันมามันจะบิดเบือนมันจะลบเลือนไหมมันแค่ไม่กี่ช่วงอายุคนใช่หรือไม่อย่าลืมว่าคนยุคนั้นอายุร้อปีมันอาจจะหาแค่ ไม่กี่ช่วงยคุคคนช่วงอายุยเดียวเองที่ส่งต่อกันมากับหลักธรรมกับคําสั่งสอนเหล่านั้นคิดว่ามันจะเป็นของจริงไหมเนาะคิดว่าจะจะตรงไหมจะบิดเบือนไหมน้อยน้อยมากๆเนาะเพราะว่ามันเป็นไม่กี่ร้อยปีเอง200ปีเองเนี่ยเป็นเรื่องราวปฏิษฐสมบูรบา่าเนาะและ้วไกด์เขาก็อธิบายเนาะเขาบอกว่าอัานเนี้ยนะอันนี้นะคือวงจรการเกิดของชีวิต ถ้าพูดแบบนี้พั๊บเราเข้าใจไหมวงจรการเกิดของชีวิตการกาเนิดของชีวิตและตายลงเราถามว่าประโยชน์ประโยชน์แล้วประโยชน์ไปดับทุกข์คือตรงไหนอ่ะเนาะประโยชน์การคือการดับทุกข์คือตรงไหนนั่นแหละคือปัญหาถ้าอธิบายแบบนิพปั๊บถ้าอธิบายแบบนิพปั๊บมันก็จะเป็นเราต้องเกิดมาถ้าในรุ่มันจะบอกนะเราเกิดจากท้องพ่อท้องแม่ท้อ ง, แ ม, องแม่มากว่าจะเติบโตมาตาม ตามวงจรนั่นแหละแต่ละช่องแต่ละช่องสุดท้ายก็แก่ก็เจ็บแก่แล้วก็ตายลงไปจบหนึ่งพบหนึ่งชาติถามว่าแบบเนี้ยเข้าใจไหมเนาะมันไม่รู้เรื่องแต่ถ้าบอกว่าอันเนี้ยคือวงจรการเกิดทุกแค่ชั่วขณะอั น, นแค่ชั่วขณะเองเกิดแล้ว ก, แวก็แล้วก็จบลงมาแล้วในหนึ่งชาติอืม ถ้าพูดแบบเนี้ยขอเสียงลงหน่อยมันมันจะทอ้อนแล้วรู้สึกมันจะอน้อนอ่าลงนิดนึงมันยเยอะเกินไปหายใจมันยังออกเลยอ่าขอเสียงลงนิดนึงมันจะท้อนเดี๋ยวจะเอาไม้เข้าปากเทสสองสามสี่โอเคเนาะอันนี้คือปฏิจจสมุปาท ถ้าเราบอกว่าท่าทีอาจารย์สอนเนาะมันเกิดแค่ชั่วขณะใช่หรือไม่แค่แว บ, บเดียวแวบบเดียวเราก็ทุกข์แล้วอะ่ะแวบบเดียวเราก็ไปเกิดภพใหม่แล้วแบบนี้ถ้าเรามาฝึกมาปฏิบัติถ้าเราหยุดตรงนี้ได้ปับ๊บมันก็จบตรงนั้นอันนี้คือประโยชน์มากกว่าถ้าเราเข้าใจตรงนี้ปับ๊บเราจะรู้ประโยชน์จะรู้จักประโยชน์ของมันแล้วก็รู้จักว่าการออกจากทุกข์มันไม่ต้องเป็นต้องไปรอตายต้องไปรอตายแล้วเกิดใหม่มันทําได้ตรงนี้เลยขณะมีชีวิตนี่แหละ เนี่ยมันจะเข้าใจเนาะพอจะไปเห็นปั๊บแล้วก็โอ้มันไม่ัมนมันตอบย้ํานะที่เรารู้มาที่เราเข้าใจมาเออแต่ถามว่าเราเชื่อก่อนนานนั้นไหมเราเชื่ อ, อ, นน เ, ร เ, อเรารู้อยู่แล้วเนาะเรารู้อยู่แล้วเราเข้าใจธรรมะบทนี้อยู่แล้วพอมาเห็นตรงนี้ปั๊บมันบอกว่าเออเห็นไหมสมัยก่อนพระพุทธเจ้าก็สอนเรื่องเนี้มีเรื่องนี้เป็นเป็นแก่นให้มาศึกษาเนาะ ตอนไปเนาะมันมีสิ่งหนึ่งไปอาชันตา อ, า อ, าอาลูลาปีก่อนน้องก็เคยไปแล้วอินเดียเคยไปสองครั้งไปในปีแรกแล้วก็เว้นว่างไปปีหนึ่งแล้วก็มาปีนี้แหละเนาะมันเขาก็บอกเนาะไปให้ไปให้เกิดศรัทธาไปให้มันระ ล, ลึกถึงไปให้ไปให้เห็นว่ามีจริงอะไรประมาณเนี้แต่ด้วยความรู้สึกเนาะพอไปแล้วไปครั้งที่สองเราก็บอกว่าเออ ต่อให้เล่าประวัติบูต่อให้เล่าประวัติบัวเจ้าดีเลิศขนาดไหนศรัทธาเราก็ไม่เกินดีแล้วมันบอกตัวเองเลยศรัทธาเราก็ไม่เกินดีแล้วแต่ถามว่าศรัทธาเรามีไหมมีแต่ถามว่ า, า, า, ม, ม, ม, า, ม, วามันจะลดน้อยลงไปไหมมันก็ไม่ลดแล้วแต่ก็ไม่เพิ่มเนาะไม่งอกและไม่ลดมันอยู่ตรงนั้นนะ่ะตรงที่ศรัทธาตรงที่พอดีเนาะแล้วสภาวัธรรมทำมาต่างๆเป็นยังไงมัน คอนแค้นมันหวันไหวไหมต่อให้มีใครมาบอกว่าทําดีรู้มามันไม่ใช่แบบนี้มันไม่ใช่ต้องแบบนี้นะแบบนี้นะมันก็ไม่หวันไหวแล้วเพราะว่าเราได้ไปประสบพบเจอแล้วได้ไปเห็นแล้วแบบไม่วันไหวต่อสิ่งภายนอกต่อสิ่งอื่นอีกจเข้ามาจะมาคอนแค้นทางนี้มันไม่ถึงที่สุดไปทางนี้นะไม่ใช่แบบนั้นเนาะมันได้รู้แล้วว่าโอ้มันก็ก็คือเรื่องเรื่องทุกข์อ่ะแล้วเราก็ไปเจอแล้วทุกข์คืออะไร เจอกระบวนการเกิดทุกข์แล้วเป็นยังไงออกจากทุกข์ได้แล้วเป็นยังไงเรารู้แล้วอะ่ะเนาะมันก็ไม่นอนงันไม่คอนแคร์ไม่หวั่นไหวศรัทธามันก็มีอยู่แค่เนี้ถามว่าให้มันพอกพูนกูเนี้ยไหมก็ไม่แล้วต่อให้เราพิสดารขนาดไห น, นก็ไม่เกินดีแล้วต่อให้เราวิเศษวิโสขนาดไหนมันก็ไม่เกินดีแล้วแต่ก็ไม่หายไปเนาะมันไปต่อย้ําตรงนี้แหละเออต่อให้ต่อให้มากี่ครั้งต่อให้ไม่มา ตอให้มาไม่ไมาเจอต้นโพต่อให้มามาเจอตรงนั้นตรงนี้มันก็บอกตัวเองเนาะเราก็มีศรัทธาแล้วเราก็รู้จักพระพุทธเจ้าแล้วว่าอยู่ตรงไหนมันจะเป็นต้องมาแล้วก็ได้จะถามว่าให้ไปอีกไหมตอบได้เลยว่าไปอีกโ <c oughs> <c oughs> ดยไม่ลังเลเนาะมันมันก็เดีนะไปแล้วแบบถามว่าลําบากไหมมันก็ลําบากอยู่แล้วโ น, น่นนันน่นนี่นั่นก็ไม่เหมือนบ้านเราอยู่แล้วแต่ไปแล้วพับมันก็อืเนาะมันเหมือนเดไป เจอวิถีอะไรบางอย่างที่เราไม่เคยเจอมีโอกาสก็ไปอีกแน่นอนเนาะอันนี้คือเนาะลองไปดูเนาะถ้าเผื่อมีโอกาสได้ไปไปเห็นถ้าเรายังมิถ้าเรายังศรัทธาไม่แน่นแฟนศรัทธายังยังคอนแคนอยู่ยังไม่มั่นใจก็ไปดูให้เห็นเนาะอย่างน้อยไปดูให้เห็นว่ามีอยู่สิ่งเหล่านี้ยังมีอยู่ยังมีร่องรอยอยู่ แต่ตัวสำคัญตัวศรัทธาที่จะทำให้เราแนบแน่นมั่นคงคือหลักธรรมเนาะห ล, หลักธรรมที่พระองค์ทรงทิ้งไว้แหละแล้วเราเข้าไปเห็นไปสัมผัสด้วยตัวเราเองอันเนี้ยมันจะทำให้เรามีศรัทธาที่แบบไม่หวั่นไหวเนาะไม่งอนเงันไม่ไม่เติบโตไปกว่านี้แต่ก็ไม่ลดลงไม่หายไปไม่มีทางหายไปมนั่นแหละเนาะคือตัวสำคัญกว่าอันนี้คือเนาะ ทีนี้จะเราถึงปฏิจจสมุปบาทนี่แหละเราถึงเป็นประสบการณ์ตัวเองว่าอันนี้คือปฏิจจสมุปบาทจะเราเรื่องผีผีก็ปฏิจจสมุปบาทนะเนาะจะเราเรื่องผีให้ฟังค่ำแล้วมันมีสิ่งหนึ่งเนาะมันมีสิ่งเขาเรียกว่าอืมการเข้าใจโดยส่วนตัวนะหนุ่พีนี่เป็นประเภทว่าการเข้าใจธรรมะมันยากเย็นเหลือเกินเป็นกลุ่ม ถ้าดูจริตตัวเองเนะาะพระอาจารย์เคยเทศให้ฟังคนเราจะมีสามกลุ่มสามจริตนี่แหละแบ่งเป็นสามพวกไอ้พวกแรกพวกเข้าใจธรรมะง่ายอย่างรวดเร็วคืออะไรรู้ไหมโทสะจริตพวกโมโห ง, ง่ายไข่โกรธง่ายเนาะบอกตัวเองได้เลยอุย้ยฉันมีโอกาสแล้ว <laughs> ฉันมีโอกาสเข้าใจธรรมะอย่างรวดเร็วเพราะว่าทําไมกลุ่มนี้ถึงเข้าใจธรรมะอย่างรวดเร็วรู้ไหมเพราะเมื่อเราเข้าสู่การฝึก เมื่อใจเราลามเดียบอยู่แบบเนี้นิ่งเมื่อเราเป็นภาวะปกติสร้างความรู้สึกตัวมันจะเป็นปกติแต่พอมันมีอะไรมาทบปั๊บมันจะเริ่มมันจะเห็นเลยมันจะปิดขึ้นแล้วถ้ามันทันก็ทันตรงนั่นแหละถ้าไม่ทันก็เป็นไปกับมันอืมันง่ายต่อการสังเกตมากเลยเนาะถ้ามันทันก็จบเลยบางทีทีเดียวส้าูยอดจบแล้วก็เป็นไปได้จึงบอกว่าง่ายมากเนาะลองสํำรวจตัวเองเนาะโทรสาพจะริดไหม มีโมโหเป็นที่ตั้งไหมมีความโกรธเป็นนิสัยไหมนั่นแหละลองดูเนาะแบบที่สองแบบกลางๆหน่อยเนาะแบบกลางๆหน่อยอะไรรู้ไหมโลภะจริตความโลภเป็นทิ่ตั้งพวกมีความโลภลงไปกับความโลภทั้งหลายนะก็มีโอกาสเข้าใจทำมาง่ายเนาะลองจากโทสะนั่นแหละบางทีมันขึ้นมาปั๊บเราสวดไปแล้ว ตอนอยากได้ของตาเป็นของร้อนอยากได้สิ่งของตาร้อนจริงหรือเปล่าหรืออะไรที่มันร้อนเห็นกระเป๋าแฟชั่นซีซั่นใหม่เป็นยังไงตาเป็นของร้อนไหมกระเป๋าตังร้อนไหมหรืออะไรมันร้อนใจมันร้อนใช่หรือไม่เนาะใจมันร้อนนั่นแหละพวกโลภะก็มีโอกาสเข้าใจธรรมะง่ายเนาะลองจากโทรศแต่ไอ้กลุ่มเนี่ยกลุ่มสุดท้ายเนี่ย ย า, ายากเหลือเกินลําบากเหลือเกินช่างยากเย็นช่างแสนเขียนช่างต้องใช้เวลาเนิ่นนานกลุ่มโมหะเนาะพวกหลงนี่แหละโอ้ช่างยากลําบากช่างเนิ่นนานต้องใช้เวลาพอเรามาสํารวจตัวเองเนาะโอ้โลโทสะเราไม่ใช่แน่นอนเลยไอ้เรื่องความโกรธที่เราง่ายมากในการจัดการมันง่ายมากๆเลยเราไม่เป็นนิสัยตรงนั้นอยู่แล้วเนาะส่วนโลภะก็ก็ไม่ท่อไหลกดี่ว่า มันก็หลุดสลัดง่ายมากมันก็บอกตัวเองนะโอ้ใช่เนี่ยเลยแหละโทสะโลภะไอโมหานี่แหละพวกหลงนี่แหละเรากลุ่มนี้แหละช่างยากช่างเดือดช่างลําบากเนาะต้องซ้ําแล้วซ้ําเราเห็นซ้ําแล้วซ้ําเราเนิ่นนานครั้งสองครั้งไม่รู้เรื่องหรอกงงมึนอยู่ลงไปแล้วขึ้นมาแล้วลงไปอีกอยู่แบบเนี้ยตกไปอีกลงไปอีกขึ้นมาใหม่ก็ตกไปอีกอีกแบบเนี้ยซ้ําแล้วซ้ําเราออก จะได้ซ้อมแล้วซ้อมเรามันมันจึงมามาเข้ากับเนอะแ ต, แต่ก่อนก็ไม่รู้หรอกว่าฉายามันแปลว่าอะไรด้วยข้อหมายตรงๆพระอาจารย์ตั้งให้ว่าฉายาคืออธิปัญโยก็คือผู้มีปัญญามากตอนแรกเราก็บอกว่าอู้เราสงสัยเราฉลดาดเรามีเรามีความรู้เยอะจึงปัญญาเยอะเนอะมันก็แอบถือครองนะมาถือครองภาวะโดยที่ไม่เข้าใจถือครองอัตตาตัว ต, วตนเนอะแต่พอวันหนึ่งมาเข้าใจว่าโอ้แท้จริงแล้ว อันนี้เองคืออธิปัญโยอะไรรู้ไหมไอ้พวกหลงไอ้พวกหลวงเยอะมันต้องใช้ปัญญาเยอะแก้หลวงตัวเองนี่แหละไม่ได้ไปแก้อื่นหรอกต้องใช้ปัญญาเยอะต้องประสบการณ์เยอะเห็นครั้งแล้วคั้งเล่าตกไปแล้วทําแล้วซ้ำเล่าอยู่งั้นนะ่ะทบทวนเยอะเนาะมันถึงจะออกจากความหลวงได้แต่ละอย่างแต่ละอย่างต้องใช้ปัญญาเยอะมากก็เลยเข้าใจว่าโอนี่ไงปัญญาเยอะไม่ได้ปัญญาเยอะเพราะอะไรเอามาแก้ ความลงตัวเองนี่แหละอืนั่นแหละเนาะแต่ในเรื่องเนี้ยเขาเรียกว่ามันมันเป็นเรื่องผีเนาะก่อนจะเข้าใจมันต้องใช้ประสบการณ์หลายครั้งมากครั้งแรกไปเจอมันก็ไม่เท่าไหร่ก็เห็นนะแต่มันอมันก็ไ ม, ม, ไม่มันก็ไม่ตีแตกเจอซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่นั่นแหละเป็นประสบการณ์ก็ค่อยเก็บเก็บทีละเล็กทีละน้อยแต่มันมีครั้งนึงเนาะมันเริ่มเห็นอะไรบางบางอย่าง มันบวกกับการปฏิบัติด้วยเนาะก่อนด้านนั้นก่อนที่เราจะเข้าใจตัวผีเราปฏิบัติมามันมีวันหนึ่งเนาะก็เดินอยู่บนทางเดนโยกมือเนี่ยนะเอาโทรศัท์บางไว้ก็ระยะประมาณสัก1นะิเก้าเนาะเอาตัวสับบางไว้ก็เดินอยู่สักครึ่งชั่วโมงเดินไปเดินมาจู่ๆมันอยากเล่นโทรศัพท์แต่ก็พยายามฝืนไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เล่นจะพอเอาสักชั่วโมงหนึ่งเนาะะบอกตัวเองว่าเอาสักชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปเล่น แต่เดินไปเดินมามันก็สักหน่อยเถอะพักสักหน่อยอยู่แบบนั้นแหละแล้วจูจ่ๆเดินไปเดินมาเนาะ จ, จู่ๆตามมองเห็นนะโทรศัพท์มันก็ปิดอยู่เนาะเป็นหน้าดาแบบนี้ก็วางอยู่ตามมองเห็นแต่รูไม่เห็นอะไรเห็นเป็นลายขึ้นมาคือเขียวขึ้นมาเป็นข้อความด้วยเราก็เห็นเมื่อกี้เห็นอะไรวะพอไปดูโทรศัพท์มันก็ปิดอยู่แต่ความอยากที่เราสร้างขึ้นมาอยากเดินลาย มันกลับเอามาสวมทับตรงเนี้ยแปะเป็นลายโลโก้ลายขึ้นมาคิวเขียวแล้วก็เป็นข้อความแชทด้วยแล้วก็เอ๊ะเมื่อกี้เอ้าเมื่อกี้ความคิดนี่ว่ามันหลอกตาจริงได้ด้วยมันหลอกตานอกได้ด้วยนี่ว่ามันอยากเล่นมันเลยเอาไปสวมทับจอโทรศัพท์ซึ่งจอโทรศัพท์มันยังไม่แสดงผลอะไรหรอกมันก็น่าดําอยู่แหละแต่มันเอาไอ้ที่เราคิดอะไปสวมทับแล้วมันก็บอกว่าโอ้ยยังไงความคิดมันหลอกตานอกได้ด้วยเนาะ อันนี้คือประสบการณ์ที่เราเห็นว่าความคิดเนี่ยสามารถสร้างบางอย่างมันหลอกตาตาเนื้อตานอกได้บางการมองเห็นจริงได้ด้วยความคิดนี่แหละเอาเอามาสอนทับอันนี้อันนี้ก็เป็นประสบการณ์แล้วแต่มีวันหนึงเนาะวันหนึ่งก็วันนั้นจําได้เลยพอดีมีหลวงตาลูกหนึ่งที่พระอาจารย์รับมาดูแลเนาะแกก็ไม่สบายก่อนนานนั้นทักสามปีเนาะในที่ประชุมสงฆ์เขาบอกว่า เนี่ยตอนนี้มีพระอาพาธอยู่รูปหนึ่งจะมีใครรับไปดูแลไหมที่เดือกต่างเงียบนในที่ประชุมสงฆ์ต่างเงียบแต่พระอาจารย์ท่านท่านก็เลยรับมาดูแลว่าสงสารไม่มีใครดูแลรับรับรับมาอยู่วัดเนาะ ใ, ให้พระช่วยกันดูแลเพราะว่าแกก็แก่แล้วแกก็อยู่มาตั้งสามสี่ปีสามสี่พรรษาแล้วอยู่เมื่อก่อนหลวงพี่เนาะแกก็อยู่มาที 4, าา น, น, ทนี้มาปลายปีนั่นแหละ ปีห้าเก้ามอือปลายีห้าเก้าแกก็ป่วยไม่สบายแต่แกก็ไม่บอกใครหรอกเนาะไปหาหมอก็ไม่อยากไปอืมแกก็ไม่บอกใครแล้วมีวันหนึ่งก่อนหน้านั้นแกก็ไอมากเนาะไอมากแล้วก็ป่วยนอนป่วยแล้ววันหนึ่งก็ช่วงบ่ายแล้วเขาก็สงสัยเนาะเอ๊ะทําไมหลวงตาไม่ออกมาสักทีบ่ายโมงแล้วปกติแกจะออกมาตอนเช้าเช้ า, ชาก็เลยให้คนงานขึ้นไปดูพอไปเปิดห้องดูปับ๊บ แข่งไปแล้วแข่งเรียบร้อยแล้วก็เลยจัดงานศพอยู่วัดให้เนาะก็จัดประมาณห้าวันนี่แหละจัดงานศพวันแรกก็เริ่มมีข่าวลือแล้วเห็นหลวงตากลางคืนกลางค่ำกลางคืนเห็นหลวงตาเลืออยู่นั่นเลืออยู่นี่เริ่มแล้วเริ่มมีข่าวลือได้ยินเสียงแวบมาอะไรก็ว่าไปเขาว่าล้วเนาะข่าวลือทีนี้พอวันที่สองที่สามนี่แหละวันที่สามช้าได้อยู่เนาะ ก็ติดตามพระอาจารย์ก็เลยกลับกลับมาเออวันนี้เดี๋ยวเราไปช่วยเดี๋ยวเราไปสวดเขาจะเขาจะสลับกันสวดเนาะก็เลยเออวันนี้ เ, เราไปสวดให้หลวงตาเนาะก็กําลังเตรียมของนี่แหละประมาณสักทุ่มหนึ่งมันก็มืดแล้วเนาะก็เตรียมของเตรียมอะไรทุ่มหนึ่งแต่พระที่เหลือเขาลงไปเรียบร้อยแล้วเขาลงไปตีหกโมงแล้ว <laughs> เพราะทุกคนต่างกลัวเนาะเขาไปลงตัวกันด้านล่างสาราเรียบร้อยแล้วทุกคนมีเข่าเลือง ขาเริ่มกนปั๊บนี่ไปรวมตัวกันอยู่สาราเรียบร้อยแล้วพี่ไป่รู้เรื่องแะไรเขาเลยอยู่คนเดียวเนาะเราก็เตรียมของเตรียมอะไรอยู่ทีนี้กุฏิพระมันก็เรียงกันเนาะเป็นแถวเรียงกันเรียงกันทีนี้กุฏิดวงตาเนี่ยมันอยู่ประมาณล็อกที่สามหลังที่สามนี่แหละมองเห็นกันด้วยเนาะสามารถมองออกไปเห็นกันหนึ่งสองแล้วก็สามแล้วกตีดวงตาเลยระหว่าง พอเตรียมของอะไรจะออกไปพับเนาะก็เลยมองไปที่กุฏิหลวงตาเห็นไฟเปิดอยู่ก็สงสัยนะเอ๊ะใครมาเปิดไฟไว้ก็เลยมองไปที่กุฏิหลวงตาทีนี้ประตูมันเปิดอยู่ประตูเปิดอยู่แต่ข้างในมันมืดไงข้างในเขาไม่ได้เปิดไฟเขาเปิดไฟข้างนอกเนาะเปิดไฟตรงตรงริมริมชายคาไว้มันก็เห็นเป็นเป็นเงาเมื่อยแหละข้างในมองในห้องมันก็มืดอยู่แล้วเนาะแต่เขาเปิดประตูไว้ด้วยแล้วก็เลยมองเข้าไป ที่ประตูห้องหลวงตากุฏิลวงตาเราไม่เห็นอะไรแค่แวบเดียวมีบางอย่างกําลังเข้าออกอยู่เดินเข้าเดินออกด้วยสีเรลืมด้วยคิดว่าอะไรล่ะโอ้ท่าเป็นเด็ก่อนโอ้ข่าวลือนี่จะสะพัดอย่างรวดเร็วเลยลองคิดดูนว่าข่าวลือเคยได้ยินไหมงูเขียววิ่งตัดหน้าตัวเ ล, เล็กๆเท่ามือก้อยเนี่ยแต่พอข่าวลือสะพัดไปแป๊บเดียวงูจงอางอกลายเป็นงูจงอางเฉย น, นี่คือขาวลยเนาะแต่ถ้าวันนั้นเนาะเราไปบอกขาวลยก็เรียบร้อยทุกคนต่างจะกลัวแต่ด้วยประสบการณ์เนาะมันเห็นหลายๆครั้งมันก็ค่อยรู้ก็ค่อยเก็บมามันรู้เลยว่าคืออะไรเนาะไอ้ที่เห็นนะเห็นเป็นคนนะแต่แต่ไม่แต่ไม่ระบุจ่อจงเป็นหน้าตาแต่เห็นเป็นคนเลยเป็นพระนี่แหละแล้วมันกลัวเลยว่าโอ้แท้จริงแล้ว ไอ้ที่เราเห็นเป็นคนเดินเข้าเดินออกมันไปจํารูปร่างหลวงตาไว้ดวงตารูปร่างเท่านี้สูงเท่านี้แกเดินแบบนี้แกเดินแกจะเดินลำบากเดินเขย่งขาข้างเดียวเขย็เข ย, ขย็เนาะเดินลำบากหน่อยมันก็เก็บท่าทางไว้แล้วก็เก็บผ้าตุกใส่สีแบบนี้ด้วยมันก็เก็บไว้อีกพอมาเห็นรูปปับ๊บพอมาเห็นตรงนั้นปั๊บมันก็เอามาสร้างเลยเป็นรูปร่างดวงตาใส่จีวรเดินเข้าเดินออกแล้วก็หายไปแค่แวบเดียวเอง เนาะแล้วก็เออเมื่อกี้เห็นเห็นแล้วเนาะเห็นแล้วเห็นแล้วมาหลอกอีแล้วว่าผีเนี่ยมาหลอกอยู่แล้วแต่ไม่ได้กลัวนะแต่เห็นมาแล้วเนาะก็เก็บเป็นประสบการณ์ไว้ครั้งนั้นก็ไม่ได้บอกใครหรอกถ้าบอกก็เรียบร้อยก็เลยไม่บอกก็เลยไม่ไม่บอกใครเนาะเรเก็บไว้เรารู้แล้วว่าคืออะไรเนาะทีนี้มันมาวันที่แบบแต่ตามจริงเนาะตั้งแต่วันนั้นน่ะมันก็โดนกันหลายครั้ง ผีก็เข้ามาหลอกแบบเข้ามาหลอกให้เราเห็นต่แหละตอนกลางคืนนั่แหละแต่มันมีครั้งหนึ่งครั้งที่แบบมันตีแตกเลยเรื่องผีเนี่ยว่ามันชัดเจนมันมาจากไหนเนาะอันนี้ก็พอดีรูปนี้เนาะเห็นเตียงคนป่วยไหมอันนี้เตียงคนป่วยอยู่วัดเนาะสองเตียงนี่แหละนี่แหละเตียงตัวปัญหาแต่อันนี้มันถ่ายกลางวันเนาะวันนั้นเป็นกลางคืนเตียงเนี้ย พอดีพระอาจารย์ก็มีโครงการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนาะที่ให้พยาบาลให้เจ้าหน้าที่ให้ประชาชนทั่วไปเหลือพระมาอบรมแล้วก็บิญาตเขาเนี่แหละเอาไปทําจริงแล้วก็ไปดูแลพ่อแม่ตัวเองแล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้เนาะยมมีเตียงอยู่บ้านสองเตียงไม่ได้ใช้แล้วพระอาจารย์เอาไปบริจาคหน่อยเผื่อโรงพยาบาลได้ใช้เผื่อชาวบ้านแถวนั้นได้เอาไปใช้ประโยชน์เนาะหลวงพี่ก็เลยไปรับบริจาคแทนพระอาจารย์วันนั้น ไปรับบริจาคมาทั้งสองเตียงอยู่กรุงเทพนี่แหละเอากับประชัยภูมิเอาไปไว้เป็นอาทิตย์แล้วแหละเอาไปทิ้งไม่ตรงศารานี้แต่เราก็ลืมถามเนาะคนใช้ไปไหน <c oughs> คิดว่าคิดว่าคนใช้เตียงจะไปไหนเนาะซื้ อ, ซ, อซื้อเตียงมาดูแลพ่อแม่ตัวเองแต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วคิดว่าคนใช้จะไปไหนเนาะไม่หายก็ตายแล้วเนาะแต่ส่วนมากก็เรียบร้อยแล้วถึงไม่ได้ใช้เตียง นั่นแหละพอไว้ตรงสาราปั๊บเนาะเราก็ไม่สนใจอะไรอยู่แบบนี้ตั้งเป็นอาทิตย์เป็นอาทิตย์แล้วแต่มีวันหนึง่งวันนั้นมันก็สามทุมแล้วไอ้ตรงสารานี่แหละมันต้องเดินผ่านเพื่อมากอกน้ําต้องเอาขวดน้ํามากอกน้ําอยู่ด้านล่างก็เดินผ่านสาราแต่สาราเนี่ยกลางคืนเขาจะเปิดไฟไ ว, ไว้ดวงหนึ่งข้างในเนาะเขาจะเปิดไฟไว้ดวงหนึ่งข้างในสุรวัวสุรวัวข้างนอกมันจะมืดเนาะเมื่อเรามองจากข้างนอกเห็นข้างในใช่หรือไม่ เรามองจากทีมมืดมาเห็นข้างในทีนี้มันก็เป็นกระจกเป็นกระจกดํากันไว้เห็นไหมเป็นประตูกระจกเป็นหน้าต่างกระจกมันก็สุรัวสุรัวเนาะถ้าเรามองจากข้างนอกมันก็สุรัวสลั ว, วตอนกอกน้ําเสร็จเนาะตอนกอกน้ําก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ตอนเดินกลับมันต้องผ่านประตูเห็นไหมประตรู ด, ด้านด้านด้านขวามือ <c oughs> เห็นไหมนั่นแหละมันปิดอยู่เนาะมันต้องเดินผ่านทีนี้ระหว่างเดินผ่านปั๊บตาข้างซ้ายหางตาข้างซ้ายก็มองเห็น เตียงสองเตียงนี่แหละแค่แวบเดียวแล้วเราก็เดินผ่านประตูไปแต่แวบเดียวรหรอไม่เห็นอะไรเป็นคนนั่งเป็นคนนั่งบนเตียงเป็นคนนั่งบนกลางเตียงย่อนขาเลยเป็นเงาเลยแบบชัดเจนเลยแล้วเราก็เลยพอเดินผ่านไปปั๊บน้องก็เฮ้ยเมื่อกี้เห็นอะไรก็เลยถอยกลับมาดูใหม่ไม่เจอแล้วอืม ถ้าข่าวเลยนี้จะพัดก็น่าจะเรียบร้อยแต่แต่ด้วยประสบการณ์เนาะด้วยประสบการณ์หลายครั้งหลายๆอย่าง <c oughs> เห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่ารู้จักมันซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันรู้อีกว่าอันนี้มาจากไหนเนาะมันรู้เลยว่าโอ้แท้จริงแต่เอามาจากไหนไอ้ที่เห็นคนไอ้ที่เห็นเป็นเงานั่งบนเตียงรู้ไหมเอามาจากไหนเคยไปยี่ยมคนป่วยเคยพยี่ยมคนป่วยอยู่โรงพยาบาลเคยเปเห็นคนป่วยเวลาเขานั่งบนเตียงนี่ยนั่งบนครึ่งเตียงแล้วยกหย่อนขาน่ะ มันก็เก็บท่าทางกันไว้พอมันเจอเตียงอันนี้ปับ๊บมันก็เอามาสวมทับเลยเนาะความคิดเราที่เรามีสัญญานั่นแหละที่เรามีเอามาสวมทับประกอบทับกันเนาะเป็นบางอย่างกำลังนั่งอยู่อันนี้คือเนาะพอเห็นตรงนี้ปับ๊บก็เอออีกแล้วเนาะมาหลอกอีกแล้วมาหลอกอีกแล้วแต่ก็รู้แล้วว่ามาจากไหนเนาะประสบการณ์ที่เราผ่านพบมาหลายๆครั้งมันก็รู้แล้ว ถามว่าตอนนั้นกลัวไหมไม่มันมันมันไม่กลัวแล้วมันมีแต่คำคำให้กับผีแหละมึงก็มาหลอกกูอีกแล้วเนาะอยู่แบบเนี้ยอยู่แบบนั้นเนาะอันนี้คือปฏิจจสมุปบาทเนาะปฏิจจสมุปบาทเลยแต่ปัญหาก็คือมันไม่เลยต่อไปที่หกนาฬิกาเจนาฬิกาเนาะเพราะว่าประสบการณ์เราเคยเจอเราเคยผ่านพบหลายหครั้งแล้วมันก็อยู่ที่แค่น้ํารูปที่มันสร้างขึ้นมาเนี่แหละเป็นน้ํารูปเป็นเรื่องเราที่เราเคย พบเคยเห็นมามันเก็บงําไว้พอมันเจองนี้ปับ๊บมันก็สร้างทับเลยเนอะเป็นบางอย่างขึ้นมาเป็นแค่ความคิดเออเป็นแค่ความคิดแต่สามารถสร้างสร้างทับรูปจริงได้เนอะสร้างทับกันมองเห็นได้สร้างทับตานอกได้เนี่ยพอเรารู้แล้วเนอะเป็นประสบการณ์แล้วทีนี้มันมาตอกย้ำํำถาม่าให้ตอนนั้นรู้รู้ไหมมันก็รู้อยู่แต่มันก็ยังไม่คุมเครือคุมเครืออยู่แต่พอดีมันตอกย้ําแบบ มันมันโพงเลยเนาะในเรื่องนี้คือบทเทศของหลวงปู่เทียนก็คํานั่นแหละเจอเจอผีเจอผีบนเตียงแล้วก็เลยขึ้นนอนพอขึ้นนอนปั๊บก็ก่อนก่อนจะนอนก็ฟังเทศหลวงปูนะ่เทียนเนาะวันนั้นไม่รู้อะไรอยากฟังเทศหลวงปู่เทียนก็เลยเปิดและเปิดไปเปิดมาก็ไปเจอบทนี้พอดีเลยท่านเทศเรื่องเนี้โดยที่ไม่ตั้งใจด้วยเนาะท่านเทศเรื่องอภินิหารสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ท่านก็เทศไปเรื่อยๆเนาะเราก็ฟังตามไปเรื่อยฟังตามด้วยด้วยประสบการณ์ที่เรามีนี่นแหละทบทวนไปไปเรื่อยไปเรื่อยๆทีนี้มันมาถึงบทหนึ่งแบบมันโอ้ชัดเจนเลยท่านบอกว่าเนาะเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาบ้านที่อยู่เห็นไหมอันนี้คือบ้านบ้านเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาก็าเห็นไหมตามต้นไม้ใหญ่ตามทางโค้งตามสี่แยก การบูบ้านหรือตามอะไรที่มันแบบศักดิ์สิทธิ์หน่อยที่เขาว่าไว้เนาะก็จะมีเจ้าที่อยู่บ้านเจ้าที่เจ้าทางเป็นแบบนี้หลังเล็กๆทำโดยไม้สี่เสาท่านบอกว่าเจ้าที่เจ้าทางมีมีลิศ ม, ม, มีเดชใช่ไหมมีมลิศเยอะไหมสามารถดนบดาลฝนให้ตกทําได้ดนบดาลฝนให้แรงก็ทําไ ด, ด, รราทาได้ทําให้คนอันเป็นไปก็ทําได้ทําให้คนเจริญขึ้นก็ทําได้ลิศเยอะไหมเนะี่ย เยอะไหมสั่งได้หมดเลยฟ้าฝนสั่งได้ดนพดานทุกสิ่งทุกอย่างได้ทำให้คนอ่นเป็นไปก็ทำได้ด้วยให้จเจริญขึ้นก็ทำได้ฤทธิ์เยอะมากเนาะทำได้หลายๆสิ่งเยอะมากเหนือจินต น, น, น, นาการนั่นแหละแต่บ้านที่อยู่เห็นไหมบ้านบ้านบ้านที่อยู่แต่บ้านเจ้าที่เท้าทางบ้านหลังเล็กๆทำจากไม้วันดีคืนดีฝุ่นขึ้นบ้านฝุ่นกาเต็มบ้านตัวเอง ไม่มีบัญญาปัดออกอวันดีคืนดีกิ่งไม้ตกใส่หลังคาเลื้อยขึ้นหลังคาบ้านไม่มีบัญญาเอาออกวันดีคืนดีปวกแต่ขัดเสาบ้านตัวเองขาดไปแล้วเสาหนึ่งไม่มีปัญญาเอาออ ก, ก, ก, อ, ญญ อ, อ, อ, กอยู่ไปไม่มีประโยชน์ท่ามว่าแบบนี้เลยเนาะอยู่ไปไม่มีประโยชน์แต่ท่านบอกว่าลองย้อมมาดูบ้านเราสิย้อมมาดูบ้านเราเรา ก, ก็มีบ้านใช่หรือไม่มีไม้บ้านของตัวเอง มีบ้านแบบเจ้าที่ไหมมีเนาะถ้าฝุ่นขึ้นบ้านเราเรามีปัญญาปัดกวาดออกเองไหมมีไหมหลองย้อ น, นดูตัวเองมีไหมถ้ากิ่งไม้มันตกใส่หลังคาบ้านหรืออะไรมันขวางทางบ้านมีปัญญาเอาออกไหมถ้าปลวกมันจะลุกลามบ้านตัวเองมีปัญญาจัดการไหมหรืออย่างน้อยโทรไปบอกเขามาจัดการหน่อยมีไหมและขอถามใครใครหลักของจริงกว่าใครมีอำนาจเยอะกว่าว ก, กัน เราหรือเจ้าที่เจ้าทางใครอำนาจเยอะกว่าใครจริงกว่าตอบให้มันใจหน่อยเรา <c oughs> <c oughs> ใครมีอำนาจเยอะกว่ากันเนาะ <c oughs> นั่นแหละเรานี่แหละของจริงกว่าเรานี่แหละมีอำนาจกว่าเนาะบ้านที่เราอยู่เรายังปัดกวาดเองเลยได้ใช่หรือไม่อะไรมันจะขวางทางบ้านกิ่งไม้ตกใส่หลังคาทางเข้าบ้านเรามีปัญญาเอาออกเองใช่หรือไม่ ทำเองได้ด้วยถามว่าเจ้าที่ใครทําให้อ่ะฮะใครทําให้เห็นไหมละเกะระกะอยู่เนี่ยใครจะไปตัดการให้ก็มีแต่คนนี่แหละใช่หรือไม่ใครจริงกว่ากันเนาะอำนาจใครเยอะกว่ากันนั่นแหละพอลงประเทนเทศวันนีป้ปั๊บแล้วก็โอ้มันมันสาหัทู่เลยมันสาหัสทูด้วยประสบการณ์ต่างๆ ท, ที่เจอมาแล้วก็กระบวนการที่เจอมาแล้วมันก็ทบทวนทั้งหมดแล้วก็มันเข้าใจเลยในใ น, ในเรื่องเนี่ย มันมันหมดเลยนะรวมทั้งหมดไม่ใช่แค่เรื่องผีโชคชะตาฟ้ากำหนดสิ่งสังจิตอภินิหารดวงเลิกงามยามดีเทพเจ้านรกสวรรค์ชาติมันรวมหมดเลยไอ้ไอ้พวกเนี่ยพลุงพลังสิ่งเหล่านี่มันรวมหมดเลยว่าโอ้แท้จริงแล้วเรานี่เองเป็นคนให้ค่าให้ความหมายเมื่อเราเมื่อเราไปสร้างค่าสร้างความหมายมันจึงมีมีอำนาจเหนือเรา แต่ถ้าวันหนึ่งเราหมดแล้วมันก็ไม่เหลืออะไรแล้วอะ่ะมันก็ไม่มีอำนาจต่อเราอีกต่อไปแล้วเนาะว่าแท้จริงแล้วเรานเนี่ยแหละคือคนกาหนดชีวิตเราจริงๆมันจึงที่รู้ว่าโอ้ยังไงตนเป็นที่เพื่งแห่งตนมันอยู่ตรงนี้แหละเนาะแต่ถามว่าชีวิตเนี่ยเรามีสิ่งเหลนี้ครอบงาเยอะไหมดวงโชคชะตาฟ้ากาหนด ด, งงนดังนั้นอย่างนี้พิธีกรรมมีไหมความเชื่อ เขาว่ามาเขาว่ามาใครว่ามาเขาไหนอ่ะเขาว่ามาต้องเขาพราะว่าเขาว่ามาประโแลประเพณีโบราณว่ามาเขาว่ามาต้องทาตามแต่ถามว่าเขาไหนก็ไม่รู้แต่ทําเพราะอะไรเพราะสบายใจใช่ไหมถ้าทำไปเถอะเพื่อความสบายใจไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะอย่างเงี้ยมีไหมโดนคำนี้งไหม ไม่เชื่อจะลบหลูก็เลยทําทําเข้าไปนั่นแหละเนาะอันนี้คือทีนี้ไปบอกใบเนาะก็ไม่ได้ลบหลู่ดอกคำว่าไม่เชื่อจะลบหลูก็ไม่ได้ลบหลู่ดอกแต่เราไม่มีใจให้แล้วเนี่ยว่าแบบนี้แหละเนาะมันจะอึ้งเลยโอ้แบบนั้นเลยเหรอเนาะอันนี้คือประสบการณ์ในการเห็นเนาะมันเรียกว่ามันมันไม่ครั้งเดียวเนอกซ้ําแล้วซ้ําเน่าซ้ําไปซ้ํามาก็อยากเป็นกําลังใจให้เนาะว่าบางทีเราอาจจะไม่ใช่แบบประเภท ฉับพันทีเดียวอาจจะเป็นประเภทแบบค่อยๆไปเป็นเรื่องเป็นเรื่องเนาะรู้เป็นเรื่องเป็นเรื่องแต่เชื่อเถอะแต่ขอให้ทําต่อไปเรื่อยเนาะเห็นไปเรื่อยดูไปเรื่อยซ้ําไปเรื่อยเมื่อมันแจ้งมันจะรู้ด้วยตัวเองว่าก็รู้แล้วในเรื่องนะต่อให้มันมาหลอกแม้จากเหตุการณ์นี้เนาะถามว่าผีมาหลอกไหมมันก็มาหลอกอยู่ไอ้ไอ้ตรงเนี่ยมันก็ยังมาหลอกอยู่ผ่านทีไรมันก็แวบขึ้นมาเห็นอยู่เนี่ยไอ้ตรงเนี่ยไอ้แต่ตรงเตียงเนี่ย มันต้องผ่านบ่อยอยู่แล้วผ่านอะไรก็แวบมาแวบมามันก็แวบมาได้เลยนะแต่รอบหลังนี้แบบมันบอกเลยว่าเอ้ามึงหลอกใครมึงหลอกใครก็สงสัยหลอกมามันเดินมากับเรามันจะมีมาสองตัวชอบเดินตามสงสัยมึงหลอกมาเนาะเพราะว่าอะไรรู้ไหมความรู้สึกตอนนั้นบอกว่ามันไม่ได้หลอกเรานีกว่ามันไม่เหลือเราให้หลอกอีกต่อไปแล้วแต่ก่อนมันมีเราให้หลอกอยู่แต่ตอนเนี้ยมึงหลอกใครวะสงสัยหลอกมา มันไม่เหลือเราให้หลอกต่อไปแล้วมันไม่เหลือผู้รับแต่ก่อนเขาเรียกว่ามันจะมีผู้แปะอยู่ผีหลอกมาปั๊บกูยังโดนหลอกอยู่หรือเร็วขึ้นก็แบบเนี้ยเนอะเฮ้ยหลอกแต่เร็วขึ้นหน่อยแต่ตอนเนี้ยอันนี้หายไปแล้วผู้โดนหลอกผีก็หลอกมาหลอกไปแต่ไม่มีผู้รับผลอยู่แล้วเนี่ยเป็นแบบนั้นแหละเนอะก็เลยช่วงหลังนี่เออสงสัยหลอกมาเนอะ มาไม่ชอบตามอเนาะไม่เป็นแบบนี้เนาะผีก็ยังอยู่มันก็ยังตากวดอยู่เรื่อยอืมแต่เราก็รู้แล้วได้รู้จากมันแล้วนั่นแหละเนาะอันนี้คือประสบการณ์เนาะที่ว่ามันต้องอาศัยระยะเวลาเนาะใช้ความเพียรด้วยครั้งสองครั้งมันไม่มันบางทีไม่ไม่แจ่มแจ้งซ้ําแล้วซ้ำแล้ ว, ลวรู้แล้วก็รู้อีกเห็นแล้วก็เห็นอีก ดนหลอกแล้วโดนหลอกอีกอยู่นั่นแหละซ้ําไปซ้ํามาซ้าไปซ้นมามนจนแบบมันเหมือนมาขาดออกจากกันเนาะกับเรื่องผีมันเหมือนแบบว่าอะไรอะที่หลวงปู่เทียนบอกว่าถ้าเราได้เข้าใจอะไรบางอย่างมันเป็นเหมือนแต่ก่อนมันเหมือนว่าเอาเชือกมาต่อกันเนี่ยเอาเชือกมาต่อกันแล้วขึงให้ตึงที่ที่สุดแล้วเราเอาเอากันไกลหรือมีดตัดตรงการถามว่าไอ้เชือกนั้นสามารถเอามาต่อขึ้นได้ไหม เอาเอาปลายที่มันขาดมามาดึงเอามาต่อกันคืนได้ไหมมัดไปมันก็คืนไหมมัดไม่ได้แล้วใช่หรือไม่เพราะว่ามันดึงมันตึงแล้วมันขาดแล้วนั่นแหละมันบอเออออนนี่เองที่มันขาดออกจากกันกับเรื่องผีเนาะมันต่อไม่ได้แล้วมันไม่โดนหลอกอีกต่อไปแล้วมันมีผีก็ยังมีอยู่แต่มันมีผู้หลอกแต่ไม่มีผู้โดนหลอกอีกต่อไปแล้วนะเนาะอันนี้คือประสบการณ์ในเรื่องนี้เนาะ บอกเลยว่าทบันเข้าใจนี่ปั๊มันมันสบายมากเลยไอ้เรื่องพวกดวงโชคชะตาแต่ก่อนมันก็มีอยู่นะแอบมีอยู่แต่พอหลังจากนั้นปั๊บโอ้สบายมากเลยไม่เหลือให้ไม่เหลืออีกแล้วเนาะไม่ได้สนใจแล้วว่ามันจะเป็นยังไงมันจะเกี่ยวกับเรื่องดวงเกี่ยวกับโชคไหมเกี่ยวกับชะตาพัานกําหนดไหมเกี่ยวกับพรมลิขิตไหมไม่ได้เกี่ยวแล้วเนาะเพราะเราได้รู้แล้วว่ามันคืออะไรลองดูเนาะ ใครยังมีอยู่ก็ค่อยๆเนาะดูตัวเองว่าเราสมควรไหมจะไปกับสิ่งเหล่านี้มีไหมซื้อเบอร์มาหมื่นหนึ่งมีไหม <c oughs> เบอร์สวยเบอร์มงคลมีไหมหรือมีไหมชื่อที่แบบสะกดแบบอย่างยากลาบากเหลือเกินต่อประตักถอฐานทอนังบนโทที่เขาเลิกใช้กันแล้วเนี่ยเอากลับมาใช้ใหม่มีไหมอ่านแต่ละทีนี้อู้อ่านว่าอะไรเนี่ยชื่อ เนาะช่างลา บ, บากเหลือเกินเพราะอะไรที่ทำแบบนั้นล่ะเพราะเชื่อว่ามันบวกแล้วมันจะไปเรียกสวยงามใช่ไหมให้มันได้สวยงามให้มันได้มงคลแต่ถามว่ามันจริงไหมล่ะอืมเนาะจริงไหมถ้าเราเปลี่ยนตัวเองปับ๊บมันก็ไม่ต้องเปลี่ยนชื่อหรอกเนาะเปลี่ยนใจตัวเองได้มันก็จบแล้วเนี่ยสำคัญกว่าแต่ถ้าเรายังมีสิ่งนี้เนาะบอกเลยว่าโอ้มันพลุงพลังมากเคยไปเห็นแล้วไปขึ้นบ้านใหม่ไปไ ป, ไปตั้งเสเอีกให้เขา ไปตั้งสอบเอกพิธีกรรมของพาหนี่มันไม่มีอะไรมากแค่ไปนั่งสวดแล้ว ก, กินข้าวแล้วก็กลับแต่พิธีพาม ร, รู้ไหมคืออะไรไปรเห็นแบบโอ้ยอย่างนี้ไม่ได้ต้องัางอย่างนี้ต้องท้ ง, งขวาเออต้องทางขวาซ้ายไม่ได้ต้องด้านหน้าอย่าด้านหลังต้องต้องตั้งอย่างหงายต้องหงายยางคว่ำหานักทิศตะวันออกอย่าไปัางทิศตะวันตกเต็ไมไปหมดเลยของพามกว่าจะเรียบร้อย แต่ของพระมันนั่งสวดแป๊บๆกินข้าวรับเนาะนั่นแหละมันพลุงพลังมากเลยแต่ถามว่าทำเพื่ออะไรอ่ะเนาะมีไหมใครที่แบบตั้งปึ้งกบจบมีไหมไม่มีหรอกเนาะอย่างน้อยก็ต้องสักหน่อยเถอะเพื่อความสบายใจเพื่อความสบายใจนั่นแหละเนาะแต่ถ้าเราเข้าใจปั๊บมันจะโอ้มันจะลดมันจะ เรียกว่ามันสบายขึ้นเลยเนาะชีวิตมันจะสบายขึ้นมันอยู่สบายขึ้นแต่ก่อนก็เป็นนะแบบถ้ามาต่างที่ต่างถิ่นสมัยบวชแรกแรกอันนี้ทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกเริ่มหาแล้วเนาะที่เขาจัดให้ทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกตั้งหัวนาทิศตั้งหัวนะทางทิศมันตกปั๊บก็จะเปลี่ยนอย่างเงี้ยมันมาเริ่มเนาะแต่ก่อนมันก็ยังมีอยู่แต่พอหลังๆปั๊บทิศไหนเขานอนได้เหมือนเดิมแหละอืมเพราะว่าเราได้รู้แล้วว่ามันคืออะไรเราได้มี พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ที่เขาเรียกว่าเป็นสาระอย่างแท้จริงแต่ก่อนมันก็สงสัยเนาะในรูปโบสเนี่ยเห็นรูปโบวถเปิดให้ดูชอบไปดูหน้าโบวถ์เราก็จะชอบแบบมีจริงไหมอะไรแบบเนี้ยแป๊บหนึ่ง ป, ปิดให้ดูโบวถอยู่วัด <c oughs> อ่เห็นไมโบวถอยู่วัดจะเป็นรูปจะมีรูป อันนี้อันนี้พระประธานเนาะด้านขวาจะเป็นหลวงพ่อคาเขียนด้านซ้ายจะเป็นหลวงปู่เทียนเนาะก็เราชอบไปดูเนาะตั้งแต่แรกแล้วมันจะมีจริงไหมเนาะปู่ตาเจ้ามันจะมีจริงไหมเนาะพระ อ, อรหันเนาะมันจะมีจริงไหมเนาะอยู่แบบนี้แหละเรายังสงสัยอยู่เรายังคางแขงยังมีความสงสัยว่าเป็นแบบไหนท่านเหล่านั้นเป็นยังไงแต่พอวันนึงเนาะเมื่อตัวที่ พาไปเข้าใจคือธรรมะพอเราไปตามที่ครูบาอาจารย์ชี้ไว้ไปแบบนี้นะไปเจออันนี้นะแล้วจะเจออันนี้นะพอเราเป็นปั๊บเป็นแบบนั้นนะเป็นสเต็ปสเต็ปไปเข้าใจแล้วออกจากตรงนั้นได้แล้วก็โอ้นี่ไงธรรมะมีจริงสภาวะธรรมนั้นมีจริงแสดงว่ามันบอกเลยว่ามันไม่สืบมันไม่สืบย้อนเลยว่าพระสงฆ์มีจริงไหมพระเจ้ามีจริงไหมมัรู้เลยว่า ยังไงก็ต้องมีคนไปก่อนอยู่เราใช่หรือไม่คนที่ชีท้ทางเราคือคนที่ไปก่อนแล้วไปเจอก่อนแล้วนั่นก็พระเจ้าก็มีอยู่แล้วถึงเราไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นก็มีแน่นอนเพราะว่าเราได้รู้แล้วว่ามันคืออะไรเนาะต้องมีผู้ไปพบเห็นก่อนแล้วก็มีการส่ ง, สงทอดมาใช่หรือไม่ก็มีผู้ได้รับผลมีผู้ได้รับผลครูบาอาจารย์เราก็ส่งต่อมาก็แสด ง, งว่ามีผู้ไปเห็นแล้วไปเจอแล้วจึงส่งต่อมาให้เราได้เห็นนั่นแหละ มันจึงบอกว่าโอนี่เองพระพุทธธรรมประสงค์คืออะไรมันอยู่ที่ไหนเนอะมันอยู่ที่ไหนเป็นยังไงจากแต่ ก, ก่อนคำว่าเขาบอกเนาะให้มีพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งเป็นสารณะเป็นยังไงพระพุทธที่เราเข้าใจคืออะไรที่เราเข้าใจคือแบบโลกเข้าใจเลยวุตจะเาใช่ไหมหรือตัวแทนนี่แหละตรงกลางใช่ไระธรรมละคืออะไร คำคำสั่งสอนหรือตีรวมตูต้ไปบิดกใช่ไหมพระสงฆ์คืออะไรก็นั่งอยู่นี่แหลนะเนาะพระสงฆ์แบบที่รราเข้าใจใช่ไหมก็เป็นสามอย่างครบ ม, มันก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งเนาะแต่รู้ไหมแท้จริงแล้วคืออะไรพระพุทธคืออะไรรู้ไหมลองหายใจเข้าสิหายใจออกยกมือขวารู้ไหม ยกมือซ้ายรู้ไหมนั่นละภาวะรู้แหละคือพุท ธ, ธภาวะที่เรารู้แหละคือพุท ธ, ธนั่งไปนั่งมาใครปวดเมื่อยละ่ะเออนั่งไปนั่งมามีไมมอาการปวดเมื่อยนั่งไปนั่งมามีไหมง่วงเหงาหานอนนั่งไปนั่งมามีไมมความคิดที่แวบไปแวบไปนั่นแหละคือประธรรมแล้วใครเป็นคนปวดเมื่อยละ่ะแล้วใครเป็นคนง่วงเหงาหานอน แล้วใครเป็นคนยกมือเรามันรู้สึกตัวนั่นแหละคือพระสงฆ์เนาะเราก็พูดปฏิบัติใช่ไหมเราคือผู้ที่ได้ผลตรงนั้นเนี่ยถ้ามันเราจะรู้เลยว่าโอ้มันอยู่ตรงนี้เองพระพุทธประธรรมพระสงฆ์มันไม่ต้องไปหาภายนอกมันอยู่ที่เราครบแล้วเนาะถ้ามารู้ตรงนี้ปั๊บมันจะบอกเลยว่าต่อให้ก้มกาบมาข้างถนนมันก็ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างแท้จริงเราได้รู้แล้วว่าอยู่ที่ไหนไม่ต้องไปถึงอินเดีย มันก็รู้แล้วว่าอยู่ที่ไหนเนาะอันเนี้ยตามจริงก็มันมีเรื่องเล่าแต่ก็ไม่เล่าหรอกหลายเรื่องอยู่แต่ก็เล่าเป็นประสบการณ์ว่าเนาะมันคือสิ่งเนี้ยอันนี้คือปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทแต่ก่อนมันเคยเต็มรอบรปึ๊บสิบสองช่องกลัวไปแล้วโดนหลอกกลัวผีกลัวผีแต่ผ่านไปผ่านไปมันก็หยุดแค่ประมาณเลขสี่เลขห้ บางทีก็เลขหอย่างชา์สุดเลยไปเลขเจ็ดเนาะอยู่แค่นั้นเมื่อมันจุดลงมันก็ยุติลงมันก็หักลงพบชาติเราเนี่ยมันก็จบลงเนาะต่อให้มันขึ้นมาใหม่มันก็ไม่เหลือแล้วมันจะวนกี่ครั้งมันก็ไปต่อไม่ได้แล้วเนาะเมื่อปฏิจจตตสัมบูช์แบบนี้เนาะมันเหมือนรูปนี้แหละเนี่ยเมื่อมันหักลงถามว่ากงล้อมันจะหมุนไปได้ไหมเนาะกรงล้อไม่สมบูรณ์ เกนมันจะไปต่อได้ไหมเนาะเราจะเรารู้เรารู้ขอแค่เรารู้ช่องไหนช่องหนึ่งเนาะรู้ช่องไหนช่องหนึ่งก็พอแล้วกงนั้นก็ไปต่อไม่ได้แล้วพบชาติก็ดับลงไปแล้วเนี่ยคือการฝึกเนาะมันอยู่ตรงนี้แหละมันไม่ใช่ต้องไปรอตายแล้วเกิดใหม่ไม่รู้จะได้เกิดหรือเปล่าใช่หรือไม่ก็ไม่รู้อีกว่าชาติหน้านีจริงหรือเปล่าเนาะทำตรงนี้เถอะให้มันดีที่สุดเนาะดับพบดับชาติตรงเนี้ยถามว่า วันนึงเนี่ยเราเกิดดับเยอะไหมเนี่ยแต่ละพบแต่ละชาติเนี่ยเยอะไหมเราคิดก oh, oh, ี่ครั้งในวันหนึ่งอ่ะเคยนับได้ไหมเนี่ยเนาะเคยเคยนับได้ไหมเนี่ยเนาะวันนึงเรานับไม่ได้เลยว่ามีกี่กี่พบกี่ชาติใช่หรือไม่แต่ถ้าเราฝึกตรงเนี่ยคือการดับพบดับชาติโอ้ดับวันนี้ได้ยี่สิบชาติแล้วเว้ยวันนี้ได้ห้าสิบโอ้วันนี้ได้เป็นร้อยเลยวันนี้วันนี้ได้สามร้อยวันนี้ได้ห้าร้อย วันนี้ถ้าเป็นพันเลยวันนี้ได้สองพันดับไปดับมาเอาไม่เหลือพบชาติให้ดับไปแล้วก็เปลี่ยนได้เมื่อพบชาติน้อยมาโดนดับไปแล้วพบชาติใหญ่มันจะไปเกิดไหมล่ะือชาติเล็กๆหรอกเนี่ยโดนดับไปหมดแล้วแล้วชาติใหญ่มันจะไปเกิดอยู่ไหมมันก็ไม่ไปเกิดอีกแล้วมันก็ยุติเท่านั้นเนี่ยคือของจริงกว่าเนาะคือตรงตรงนี้แหละอยากจะฝากไว้เนาะก็คํานี้ก็ ใช้ประสบการณ์เท่านี้เดี๋ยวให้เราอยกจะกันปฏิบัตินะอยู่นี่แหละถ้าเราเม่ก็เดินอย่างกรมด้านหลังถ้าท่านนั่งรอพระอาจารย์อยู่นี่กราบรมสการท่านพระอาจารย์คันชิตอักิ น, นโสนด้วยความกรบนะคะวันนี้เป็นวันที่สมของการปฏิบัติ วิปัสสนากรรมฐานหลักสูตรกลับมารู้สึกตัวของพระอาจารย์ณกานนี้ขอกราบอาราธนาท่านพระอาจารย์ได้โปรดเมตตาตอบคําถามนะคะเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติต่อไปของโยคียเจ้าค่ะขอราธนาเจ้าค่ะ <c oughs> ช่วยเดินผ่อตอนเข้าท่านนั่งตามสบายนะเป็นไงบ้างช่วงบ่ายปฏิบัติกันดีไหมฮะ ได้ปฏิบัติด้วยตัวเองแล้วก็ได้สังเกตกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะการที่เรามีโอกาสที่จะดูแลตัวเองได้ตอนที่พระอาจารย์มีอยู่ครั้งหนึ่งเนาะพระอาจารย์ให้ให้ไปปฏิบัติเองอย่างนี้แหละก็เ <c oughs> สร็จแล้วก็มีน้องคนหนึ่งเขามาปฏิบัติเขาก็บอกว่า เขเขียนเขียนรายงานขึ้นมาเ น, ะนาะขณะที่เขาเดินขณะที่เขาเดินไปเพื่อจะไปเดินจงกรมอะ่ะเขาเดินเดินไปปรกากฏว่าตาเขาอ่ะตาเขาหันหันไปเห็นรังมดแดงรังเล็กๆนยต้นไม้เราเยอะเนาะก็จะมีรังมดแดงมีอะไรเนี่ยขณะที่เขาหันไปเห็นรังมดแดงปุ๊บเนี่ย เขาบอกขนาดนั้นมันเกิดอาการชะ ง, งักเลยนะขนาดที่เขาชะ ง, งักปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าช่วงขณะที่ชะ ง, งักปุ๊บเนี่ยเขาเห็นภาพหนึ่งปรากฏขึ้นในใจเขามันเป็นภาพเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งถูกลังมดแดงตกใส่หัวแล้วมดแดงมันกัดเขาทั้งตัวเขาไปหนึ่งกัดตากดัดเขาไปข้างใน ในคนนั้นร้องลั่นเลยทั้งกลัวทั้งตกใจกับมวลแดงมดแดงที่ลมกัดจังหวะที่เขาเห็นตรงนั้นอะที่มันชะ ง, งักปุ๊บเขเห็นเขาก็เลยก้าวต่อปุ๊บพอเขาก้าวต่อปุ๊บตรง น, นั้นอะมันดับปุ๊บลงเขาบอกเขาเข้าใจทันทีเลยอ๋อหนูแล้วทําไมหนูกลัวมดแดงเขาบอกหนูเห็นแล้วว่าทําไมหนูกลัวมดแดง ที่แท้ทั้งหมดทั้งสิ้นที่เห็นมดแดงเทเลวิ่งหนีวิ่งหนีเนี่ยนะเพราะมันเคยมีประสบการณ์ที่ถูกลังมดแดงตกใส่แล้วมันกลายเป็นสิ่งที่ฝังอยู่ในใจเป็นรูปแบบของนามมารูปที่ปรากฏขึ้นเข้าใจไหมทุกครั้งที่เห็นมดแดงหนูก็กลัววิ่งหนีเลยทุกครั้งที่เห็นมดแดงหนูกลัววิ่งหนีแต่มาครั้งนี้หนูเห็นมดแดงปุ๊บ มันปรากฏเรื่องราวของหนูตอนเด็กๆขึ้นมาให้เห็นแล้วมันก็เลยเฉลยว่าที่แท้แล้วตรงนี้เองที่กลายเป็ น, เ ป, นเป็นภาพเป็นความคิดหรือวานำ ม, มารูปที่พระอาจารย์ว่าที่มันทำให้หนูต้องกลัวกลัวมดแดงมาตลอดชีวิตแล้วพอหนูกลับมารู้สึกตัวมันหยุดหยุดทุกอย่างเลย มันเห็นเลยว่าเฮ้มดแดงไม่ได้ทําอะไรเราเลยแต่ทุกครั้งที่เราเห็นหมดแดงเราวิ่งหนีเรากลัวพราอ้ภาพตัวเนี้ยภาพตัวนี้มันปรากฏขึ้นคุณสังเกตดูไหมวันนั้นที่เขาเห็นเนี้ยพระอาจารย์ยังไม่ได้อธิบายเรื่องเรื่อ ง, องทุกแก่ยังไม่ได้อธิบายเรื่องทุกแก่ยังไม่ได้อธิบายเรื่องเรื่องปฏิจจสมุปบาทแต่เธอกับพูด กลไกการทำงานของปฏิจจสมุปบาทพอพระอาจารย์อธิบายเรื่องตรงนี้ปุ๊บเือท่งรายงานให้เห็นว่าเธอเข้าใจทันทีเลยว่าอ๋อตรงนี้เองอจึงหนึ่งที่มันทำให้เราไม่อาจจะเข้าใจเรื่องการดับทุกข์ได้เนี่ยเพราะเราไม่รู้ทันความคิดมันเป็นกลไกที่ มันเป็นวิธีการหรือว่าเป็นกระบวนการที่จะเข้าไปเห็ น, นกลไกการเกิดขึ้นของทุกข์ได้เร็วที่สุดละากับการที่เรารู้ทันความคิดที่เกิดขึ้นและเห็นกระบวนการปรุงแต่งของมันโดยเฉพาะรูปแบบพังนามารูปที่สร้างขึ้นมาในใจของเราท่านทําไมอาจารย์ถึงพยายามอยากให้พวกเราลองสังเกตตัวเองให้มากขึ้นไปอยู่ข้างล่างไปปฏิบัติเองข้า่างก็อยากให้พวกเราได้สังเกตดูตัวเองกับสิ่งที่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นจากปฏิจจสมุปบาทที่เราเห็นมันมีกระบวนการปรุงแต่งตามนาฬิกานะจำได้ไหมนี่จำนาฬิกาได้ไหมจ๊ะจำได้นะ้ะจะเห็นได้ว่าวันนี้ที่เราสวดอาทิตตริยยาาสูตรเนี่ยสับสบสับสบพังอาทิตตัง สิ่งทั้งหลายมันเป็นของร้อนรูปเป็นของร้อนใช่ไหมรูปเป็นของร้อนเสียงเป็นของร้อนกลิ่นเป็นของร้อนรสเป็นของร้อนพุณภาพเป็นของร้อนธรรมารมเป็นของร้อนมันร้อนจริงหรือรูปที่เราเห็นด้วยตารูปมันร้อนไหม มันไม่ได้ร้อนเสียงมันก็ไม่ได้ร้อนแต่พอมันเกิดการกระทบปุ๊บกระบวนการที่มันปรุงข้างในอ่ะเข้าใจไหมพอปฏิจจสมบัติมันหมุนพลือไปสู่ความเป็นทุกข์ปุ๊บมันถึงสะท้อนออกมาสมมุติว่าอะไรครับ คือจริงๆรูปมันไม่ได้ร้อนสมมติว่าตาเราเห็นเห็นรถคันหนึง่งตาเราเห็นรถคันหนึ่งมันก็แค่รถคันหนึ่งแต่ถ้าเราไม่รู้ทันใจของเราๆๆๆมันมันก็มนโนขึ้นแล้วล่ะทีนี้เกิดการปรุงแต่งขึ้นใช่ไหม เกิดความอยากได้รถคันนี้ขึ้นมาเข้าใจไหมทีนี้เกิดอยากได้รถคันนี้ขึ้นมาปับ๊บเห็นไหมมันเข้าไปสู่จนกระทั่งกายเป็นทุกข์เผารนใจร้อนเพราะอะไรนี่พระเจ้าค่ะร้อนเพราะไฟราคะไฟโทสะไฟโไฟมหะใช่หรือไม่ความปรารถนาอยากจะได้ไปเกิดขึ้นในใจพลักดันออกมาปุ๊บ กลายเป็นรถคันนั้นที่เห็นเมื่อกี้มันร้อนเลยทั้งๆ ท, ที่ตอนแรกมันก็ไม่ได้มันไม่ได้เกล็ดร้อนตัวมันไม่ได้ร้อนอะไรเลยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรรูปเสียงิดีดรถเสียงก็เช่นเดียวกันพอเสียงกระทบหูปับ๊บเสียงมันไม่ได้ร้อนแต่ที่มันร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะกระบวนการปฏิจจสมุปบาทที่มันหมุนติ้วไปปุ๊บกลายเป็นความไม่อยากได้เสียงนี้ เห็นไ้มไม่อยากได้เสียงนี้หรืออยากได้เสียงนี้เสียงนี้เป็นเสียงแบบนั้นแบบนี้ไม่น่าพอใจผักออกมาเสียงก็กลายเป็นของร้อนเห็นมทั้งนั้นที่เป็นแค่แค่เสียงแต่เราเราตีความหมายด้วยสัญญาก่อนว่านี่คือเสียงปุ๊บเป็นเสียงด่าลักษณะอย่างนี้เป็นเสียงด่าเนี่ยความความจำได้มารูกมันบอกว่าเป็นเสียงด่า มันหมุนติ้วต่อสังขารทํางานต่อยึดมันถือมันว่าอาดากูใช่ไหมเป็นทุกเพราะเสียงที่มากระทบกลายเป็นของร้อนทั้งทังที่มันถ้าเอาข้อจริงๆมันก็เป็นแค่เสียงทําไมเราไม่เคยคิดว่านกที่มาเกาะหน้าต่างเวลาเรานั่งอยู่ที่ห้องเราหรือบ้านเรานกมาเกาะข้างๆแล้วจิ๊บจิ๊บจิ๊บจา๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจา๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊ิ๊ เราก็ไม่เคยคิดเลยวนะ่าบรรดาแม่เราใช่ไหมเพราะว่าเราฟังมันไม่รู้เรื่องจริงไหมแต่พอเราพังภาษารู้เรื่องมันมีภาษามีสมมุติบัญญตัติที่ให้เราเข้าใจว่าเนี่ยคำตุกคเนี่ยมันหมายถึงเนี่ยอย่างนี้อ่างเนี้ยสัญญามันทางานนี้เราก็ตีความหมายไปถามนั้นก็น เ, เป็นถูกเสียงก็เป็นของร้อน เสียงแต่ลถเป็นของร้อนได้มหมกำลังตีไฟเลี้ยวซ้ายจะจอดอยู่แล้วแปืน mm hmm. เสียงแต่ก็คือเสียงแต่แต่มันกลายเป็นของร้อนตอนที่มันแป้นแล้วใจเราหมุนติวไปปรุงแต่งมันด่ากูเหรอมันว่ากูเหร อ, ม, หรอมันตำหนิกูเหรอกูก็เปิดไฟเลี้ยวตั้งนานแล้วไม่ได้นั่นา น, านี่สหน่อยใช่ไห ม, อมจอดได้ เลยไปหน่อยขอเขอบัขบเลยไปหน่อยดีใจเขาคืนแป้นแป้นแปนแป้นแป้นมึงแป้นกูทีเดียวกูแป้นมึงห้าทีทาไมมันร้อนขึ้นมาล่ะเสียงเป็นของร้อนได้ยังไง ร, รูปเป็นของร้อนได้ยังไง ร, รถเป็นของร้อนได้ยังไงอืม ใช่ไหมกินอาหาร ม, มันปรุงแต่ไม่เหมือนรสที่เคยกินใช่ไหมไม่เหมือนรสที่เคยกินไม่เหมือนที่เคยสัมผัสอทุกไหมอยากกินไหมไม่อยากกินรสนั้นกลายเป็นของร้อนเพราเราไม่อยากได้กับมันนะยเฟต๋ยวมันร้อนข้าวผัดมันร้อนแต่รสมันร้อนได้ด้วย เพราะว่ามันไม่ได้รสชาติอย่างที่เราอยากจะได้ทั้งหมดทั้งสิ้นรูปเสียงกลิ่นรสผัทพภะและธรรมอารมณ์ทั้งหลายเป็นเพียงกลไกการทำงานของอายตนะไม่ได้มีความร้อนไม่ได้มีความเย็นไม่ได้มีความสุขไม่ได้มีความทุกข์ไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้น เป็นเพียงสภาวะธรรมเป็นเพียงธรรมที่ปรากฏที่มันทำงานของมันอยู่แล้วเป็นธรรมที่ปรากฏขึ้นมาแล้วมันเชื่อมต่อกัอบอยายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรามันทํางานของมันเป็นธรรมชาติล้วนๆเลยเพราะเราจงึงพยายามบอกว่าการปฏิบัติของเราไม่ใช่การหลับหูหลับตาไม่ให้หลบลี้หนีหน้าไม่ต้อง ต่อให้คุณบอกว่าก็าถ้าตาเห็นหน่ใจมือก็จะฟุง้งซ่านหูได้ยินใจก็จะฟุง้งซ่านกูไม่เชื่อเอาสมดีอุดหูไปปิดตาไปเชื่อเหระลอกหนังออกก็ได้อ่ะจะได้ไม่มีโฟทภะสุดท้ายใจมันก็คิดคือเก่าแหละใช่หรือไม่มันจึงไม่ใช่เรื่องของการไปปิดตาปิดหูจุด อะไรสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การปิดกั้นสิ่งเหล่านี้ขั้นการปฏิบัติมันต้องใช้สติคุมการใช้สติคุมไม่ใช่การไปทีนี้พอบอกเอาใช้สติคุมอะ่ะบางคนก็ไปเข้าใจว่าต้องให้มันแบบชัดๆกับการเคลื่อนไหว ม, มากๆมันจะได้คุมชัดๆผมความรู้สึกตัวชัดมากอาจารย์กัญชิตชัดขนาดไหนครับผมเดินยงกมอยู่ในศาลานะ เขาตีคองใหญ่ๆทำวัดผมไม่ได้ยินเลยนะผมไม่ได้ยินเลยจนกระทั่งมีคนมาจับแขนผมบอกว่าอาจารย์ทําวัดแล้วอ๋อผมเลยถามว่าตีค้องแล้วเหรอเขาบอกตีเสร็จตั้งนานแล้วครับนั่งรองอาจารย์จะมาอาจารย์เดี๋ยวไม่มาสักทีผมเลยมาเรียกนี่ะครับนี่คิดดูผมรู้สึกตัวชัดขนาดไห น, <laughs> นชัดไปครับ มันชัดซะจนมันจมเข้าไปในความรู้สึกของกายเข้าใจไหมมันกลายเป็นสมถะกลายเป็นสมา ธ, าามาธิที่จมเข้าไปเหมือนที่อาจารย์บอกว่านั่งไปลมหายใจนั่งไปนั่งมามันหายไปหมดเหลือแต่ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่มันอาการเดียวกันเพราะนั้นการมีสติคุมจึงไม่ใช่การการแน่เพราะขนาดนั้นการมีสติคุมคืออย่างไร ตัวอย่างของไอ้แสงจ้าดีกว่าไอ้แสงจ้าเนี่เป็นเด็กอายุส1ขวบเขาขออาจารย์ฟังนะการทําความรู้สึกตัวไอ้แสงจ้ามันบอกว่าผมขอเขียนเป็นการ์ตูนรายงานอาจารย์ดีกว่าเราทําความรู้สึกตัวเนี่ยความรู้สึกตัวเหมือนเรากําลังจะข้ามถนนครับ นี่แล้วก็วาดขัดธูนขึ้นมาบนถนนนั้นจะมีรถวิ่งไปวิ่งมาตลอดเวลารถที่วิ่งไปวิ่งมาตลอดเวลาก็คือความคิดครับเหนไมเกความคิดที่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาถ้าเราจะข้ามถนนโดยไม่สังเกตอะไรเลยโดยไม่ดูอะไรเลยเราข้ามไปเราถูกรถชนแน่นอนหรือ ถ้าเราเพ่งมองไปที่รถคันใดคันหนึ่งเราก็ถูกรถคันอื่นชนแน่นอนเห็นว่าไม่มองอะไรเลยก็ถูกชนมองคันใดคันหนึ่งเกินไปก็ถูกชนว่าเพราะฉะนั้นวิธีการข้ามถนนแบบรู้สึกตัวถอยออกมาห่างนิดนึงจากริมถนนแล้วมองไปกว้กวางถอยออกมายืนในมุมที่เหมาะแล้วมองไปกว้กวางเราจะเห็น รถทุกคันแล้วเราจะเจอช่องที่ไปได้แล้วเมื่อ น, นั้นเราจะไปได้อยากไม่ถูกลดชนคุณเข้าใจคำว่ามีสติคลุมไหมเจนี้ฮะเข้าใจไหมฟังไอ้แสงจ้ามันพูดแล้วเข้าใจไหม <laughs> ไอ้แสงจ้ามันว่างเงี้ยเด็กอายุสิบอขวบมันเขาคอร์สกับอาจารย์ โอ้ยหวันนะห7เจ็ดวันมันตั้งใจทำปฏิบัติมากไอ้พุทธไอ้พุทธนี่เก้าขวบสองคนมันเป็นผู้ปฏิบัติทารุ่นเล็กมากที่ทำให้อาจารย์รู้สึกเหนื่อยมากเลยเพราะอาจารย์เดินจงกรมตรงไหนมันจะไปเดินข้างๆอาจารย์นั่งยกมือใช้แจกแต่มันไปนั่งข้างๆ หลบไม่ได้เรื่องของเรื่องคือหลบมันไม่ได้หลบแอบไม่ได้เลยจะเสียเชิงมันเข้าใจไหมจะเสียเชิงมันเโอมันก็อยู่อาจารย์ได้จริงจรงก็ตีสี่ถึงสามทุ่มอยู่เช้ามาตื่นทําวัดตีสี่เนี่ยมันก็ตื่นมาทําวัดกับอาจารย์อยู่กับอาจารย์ทั้งวันจนสามทุ่มมันค่อยกลับไปนอนโอ้มันอึดมากเลยอะ แต่ว่าพอมันอธิบายเนี่ยเรื่องความรู้สึกตัวของมันเนมันชัดมากเลยนะชัดมากเลยไอ้พูดที่เขียนมาแบบยืดเยอะเลยยืดยาวเลยแบบเป็นหน้ากระดาษเลยอาจารย์อ่านปุ๊บ้ยสภาวะดีมากเลยอะของใครเนี่ยของผมครับ <c oughs> เห็นมันตัวเล็กๆไนงะจริงเหรอจริงครับผมดืมเขียนชื่อครับ อ่ะเอาขึ้นไปก็อ่านเสร็จแล้วก็เขาถามวาของใครไงก็ยกนู่นอ่ขึ้นไปแบบใจก็แบบเข้าใจไหมเอาออเองเหรไปวัปนต่อมามันส่งกระดาษแผ่นเดิมอีกหน้าหนึ่งมันส่งกระดาษแผ่นเดิมหน้านึ่งลายมือเหมือนกันได้เลยรายงานโอยสภาวะทำเจ๋งกว่าเก่าอีกสุดยอดมีห น, น้า่ะนี่ เพรพอเด็กเขาทําแบบตรงๆซื่อๆใสๆอะ่ะเข้าใจไหมเด็กเขาทําตรงๆซื่อๆใสๆเขาไม่มีมายาเยอะเขาไม่มีหัวโขนไม่มีหน้ากากสิ่งที่เครือบแข็งใจของเขามันไม่เยอะเราบอกให้เขาทำยังไงเขาก็ทำเราบอกเขาสังเกตยังไงเขาก็ทําจริงอาจารย์พุทธินบอกเลยนะ ผมเดินจงกลุมอยู่ผมเห็นลูกไก่เฮ้ลูกไก่น่ารักพอผมบอกลูกไก่น่ารักปุ๊บผมหยุดกึกเลยไม่ใช่ลูกไก่มันไม่รู้ตัวหรอกว่ามันน่ารัก <laughs> ผมต่างหากที่ไปยิงใยมังมุมใส่มัน นันถ้าใครเคยเปิดประกาศผ้าจามมาก่อนจะรู้เรื่อ ง, ง, ง, ง, ง, งมมยนนนนิงิงงยิงิ ง, นนงยงิงใิงยออิงยิงยิงยิงยิงยิงยิงยิง่ิงงยิงยิ่ยิงยิงยิงยิงยิงยิงงยิงยิงยิงยิงยิงยิงยิงยิงยิิงยิงยิงยิงยิงยิงยิงยิงยิงยิิงยิงยยิิงยิงยิยิงยิงยิงยิงยิงยิงยิงยิงยิยิงยิงยิยิงยิงยยงยุงิยิงงยิงิยย ด้วยอาการแบบอันนี้แบบน่ารักอันนี้ไม่น่ารักอันนี้จริงๆแล้วมันไม่รู้หรอกฉันใดก็เหมือนกันเนี่ยไอ้พูดมันพูดไรสักหว่าลูกไก่เป็นของร้อนเข้าใจไหมพอมันบอกน่ารักก็อยากได้ไหมพอบอกไม่น่ารักก็อยากอยากผลักใสออกไปไหมทั้งอยากดึงเข้ามาทั้งอยากผลักใสออกไปมันทําให้เกิดความร้อนทั้งนั้นนะใช่มันร้อนร้อนเพราะอะไรเพราะว่าปฏิจจส ม, มุปบาททางานแล้วไม่รู้ทัน เกิดกระบวนการปรุงแต่งภายในใจแล้วไม่รู้ทันเด็กเด็กเขาเขาตั้งใจดีลงตรงซื่อซื่อใสใสเพราะฉะนั้นพวกเราอาจารย์ถึงเล่าเรื่องเจ้าชายศถถาิทธัตะคิดถึงตอนอายุเจ็ดขวบได้ไหมที่เด็กชายอายุเจ็ดขวบนั่งดูลมหายใจเข้าออกเฉย ไม่ได้มีความคาดหวังว่าปฏิบัติแล้วจะได้อะไรดูลมหายใจแล้วจะเป็นยังไงก็แค่จะรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกแล้วก็สังเกตกับมันไปเรื่อยๆเขากลับเห็นเจ้าชายเสดทธากลับเห็นกระบวนการที่มันเกิดขึ้นพระอาจารย์พยายามเน้นย้ำว่าเมื่อครั้งที่หลวงปู่เทียนปฏิบัติด้วยการบอกเราจะเดินมันเฉยๆแล้วรู้กันเดินเฉยๆแล้สังเกตดูว่าเกิดอะไรขึ้น วันที่หลวงพ่อคามเขียนสอนพระอาจารย์ตั้งใจทำทีละครั้งรู้ทีละครั้งจบทีละครั้งทำให้รันแยกกายแยกจิตออกจากนั้นกระบวนการการปฏิบัติของพระอาจารย์ค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆปรับมาจนกระทั่งเราจับเคล็ดได้ว่าเฮ้ยนี่ไงที่เจ้าชายศิธษะถ่ย้อนคิดถึงตอนเป็นเด็กอายุเจ็ขวบเฮ้ยงั้นแปลว่าจุด เรียนครั้งสาคัญก็คือการย้อนกลับคืนไปสู่จุดเริ่มต้นที่เราไม่ได้หวังอะไรไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดว่าจะเป็นอะไรไม่ได้หวังว่าจะได้อะไรแต่ให้รู้สึกตัวในความรู้สึกตัวที่มันเกิดขึ้นแล้วเราสังเกตมันแต่ละขณะเหมือนที่หลวงปู่เทียนทำนี่หักนี่ต่างหักน่าจะเป็นทางรอดน่าจะเป็นทางออกพออาจารย์จับตรงนี้ได้ปุ๊บอาจารย์ก็เริ่มทาเลยทาแบบตรงๆซื่อๆใส่ๆ โดยไม่เคยคิดว่ามันจะสงบโดยไม่เคยคิดว่ามันจะเห็น น, นั่นนู้นเห็นอันนี้แต่เราทําความรู้สึกตัวแล้วสังเกตมันสังเกตมันไปสังเกตมันไปเกิด อ, อะไรขึ้นก็เห็นมันไปความคิดเกิดขึ้นก็เห็นมั น, นามกายเคลื่อนไหวก็เห็นมันใจมันคิดก็เห็นมันความรู้สึกหรือเวทนา เ, เกิดขึ้นก็เห็นมัอนอารมณ์ได้เกิดขึ้นก็เห็นมันเห็นบางทีก็เข้าไปเป็นกับมันบางทีก็ไม่ได้เข้าไปเป็นกับมัน แต่ทุกครั้งที่มันเป็นเข้าไปเป็นกับมันปุ๊บเราจมเข้าไปสักพักเราถอนกลับมาได้ปุ๊บหุยเมื่อกี้เราเข้าไปเป็นนี่หว่ะอ๋อนี่เองเข้าไปเป็นมันเป็นอย่างนี้ถอนกลับมาได้มันเป็นอย่างนี้มันก็เริ่มเรียนรู้ในความที่ว่ามันมองเห็นความต่างระหว่างความเข้าไปเป็นกับความไม่เข้าไปเป็นความหลงเข้าไปเป็นมันทําให้เราไปเป็นอย่างไรความถอนกลับคืนมาได้มันเป็นอย่างไรความเห็นมันอย่างเดียวแล้วไม่เข้าไปเป็นกับมันเลยเป็นยังไง สิ่งเหล่านี้เราเป็นคนเก็บประสบการณ์เราเป็นคนเก็บประสบการณ์และตัวประสบการณ์เหล่านั้นมันทําให้เราเห็นความจริงและความจริงเหล่านั้นมันทําให้เราประจักษ์แจ้งโชคดีตรงนี้พระอาจารย์คนกล้าเล่นกล้าเล่นกล้าร้องกล้านู่นกล้านี่ทํามันไป เห็นพวกเราถามคำถามแต่ละทีมันจะเพ่งไปไหมทำแบบนี้แบบนี้มันจะเป็นอย่างนั้นไหมเห็ดูมัไหเรากลัวกลัวว่าจะเป็นอย่างนั้นกลัวว่าจะเป็นอย่างนี้ไม่ต้องกลัวมันมีแค่สองอย่างแค่นั้นนะปฏิบัติหลงกับรู้ มันไม่เป็นมากไปกว่านั้นหรอกมันไม่ได้มากไปกว่านั้นเลยมันมีหลงกับรู้เพราะมันหลงไปแล้วเรารู้กับคืนมาได้ก็แปลว่าเรารู้ในขณะที่มันยังไม่หลงเรารู้อยู่ก็รู้อยู่แต่พอมันหลงปุ๊บเราก็รู้เพราะรู้ปุ๊บเมื่อถอนจากการหลงมันก็เห็นอีกว่าหลงไปเมื่อกี้มันไปเป็นอะไรหลงไปเมื่อกี้มันพาเราไปเป็นอะไรยิ่งหลงมากเท่าไหร่ยิ่ง ยิ่งฉลาดยิ่งลงมากเท่าไหร่ยิ่งฉลาดช่ำชองต่อการลงช่ำชองต่อการหลุดออกมาได้ช่ำชองต่อการเห็นภาวะแห่งความจมกับภาวะแห่งความหลุดพ้นออกมาเนี่ยกาปฏิบัติมันเป็นอย่างนี้เข้าใจไหมอย่าไปติดดีนัก กลัววมันจะเป็นอย่างนั้นกลัวว่าจะเป็นอย่างนี้ติดดีติดดีก็ติดกำแพงจำเพาได้ไหมจาสมประตูบาหลีได้ไหมฮะจได้มเออไปชนดีก็ติดดีไปชนชั่วก็ติดชั่วใช่หลือไม่เอออย่าไปติดมันนักนะอย่าไปยุดมันมากนะดีไม่ดี คิดยังไงก็เห็นมันไปยิ่งเราเห็นมันบ่อยๆเรายิ่งเข้าใจกับมันลึกซึ้งขึ้นเรือเ่อยๆนะเหมวันนี้อาจารย์บอกอะทำใจเหมือนเด็กๆทำใจเหมือนไอ้แสงจ้าทำใจเหมือนไอ้พุทธไอ้เจ้าพุทธไอ้แสงจ้าไอ้เจ้าแสงจ้าไ้เจ้าพุทธเด็กๆที่ไม่ได้คิดว่าจะอะไรอาจารย์ผ่านั่งยกมือมันก็ทา บอกให้สังเกตมันก็สังเกตอไปตักข้าวเนี่ยไปเก็บอาหารปุ๊บอุ้ยนะเป็นไงเห็นยายมุงมุมมหมเห็นครับแต่จริงๆผมไม่เห็นนะจริงๆผมไม่เห็นผมตอบอาจารย์ไปว่าเห็นเฉยๆเห็นใามุงมุมเี่มันพ่นใส่อาหารเข้าใจปะ อันนั้นก็อยากได้นี่ก็อยากได้มีเย็มโลูมีนู่นมีนี่มีนั่นมีสปาเกตตีมันเห็นเลยว่าใจอยากพอพออาจารย์พออาจารย์ถามว่าเห็นยั้แมงมุมไหมผมตอบว่าเห็นแต่จริงๆแล้วผมยังไม่เห็นแต่พอพอพอผมดูมันอีกทีอ่ะ ผมถึงได้เห็นว่าเฮ้ยมันเห็นใจเลยอะอยากกินนี่อยากได้นี่มันพ่นใหญไปยุดเลยปุ๊บปุ๊บเลยอะเออนั่นแหละ่งนั้นล่ะลูกให้มันตรงๆซื่อซื่อใสใสกับสิ่งเหล่านั้นตรงๆยิ่งเราตรงต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเรามากเท่าไหร่เรายิ่งเห็นความจริงมากเท่านั้นยิ่งจะพาเราเป็นอิสระได้มากเท่านั้นนะ จะไม่เคยเชื่อเลยว่าคนที่แบบว่าติดดีฉันเป็นคนดีฉันต้องปฏิบัติธรรมแล้วฉันต้องดีไม่เคยเห็นในคนพวกนี้บรรลุทั้ทีมันคลานอยู่ก็ดีดีดีอยู่นั่นนะ่ยแต่ไอคนนี้แบบว่ายังไงก็ได้ว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นก็สังเกตไปดูมันไปเออว่าเปิดใจยอมรับความชั่วของตัวเองได้ในสุดยอดเลย ยอมเราเฮ้ยใจมันคิดชั่วๆก็มีว่ะใจคิดไม่ดีก็มีวะเออเอามันเป็นพ่ออะไรวะพ่อเราไปดูมาอ๋อมันเป็นความเคยชินมันเป็นความเคยชินมันเคยสิ่งมันเป็นสิ่งที่มันคุ้นเคยมันก็คิดของมันไปงั้นเนี่ยอ๋อนี่เองที่บอกว่าใจมันคิดเองไม่ใช่เราคิดแต่พอเราเห็นมันเนี่ยอ๋อนี่ไงมันคิดแล้วเห็นกระบวนการเหล่านั้นได้ดีๆเนี่ยนี่แหละ ามาเอามือวางไว้เขา <c oughs> เอาตั้งใจเลยนะยิงรวดเดียวเลยนะสี่สิบนาทีเห็นมันทุกั้ยเขาบอกสี่สิบนาทีเออดีมากเลยบางคนก็ออรีบหันไปดูนาฬิกาเลย <c oughs> <c oughs> ทำไม นกาจะช่วยคุณได้เหรอนรกามันช่วยไม่ได้ใจที่ตระหนักรู้ในขณะขณะขณะอางหากมันจะช่วยคุณเพราะว่าคุณอยู่กับความรู้สึกตัวที่เป็นขณะขณะขณะได้จริงๆคุณจะอยู่เหนือการเวลาเวลาจะไม่มีผลกับคุณจริงในช่วงเวลาแห่งความรู้สึกตัวที่เกิดขึ้นในขณะนั้น ช่วยเวลาที่เรารู้สึกตัวชั่ๆเนี่ยเราจะเวลาจะไม่มีผลเป็นอากาลิโกไม่ขึ้นกับการเวลาไม่ถูกการเวลามันลากจูงไม่เป็นสิ่งใดๆที่จะทําให้เราเป็นทุกข์กับมันได้เลยจริงเพราะมันอยู่กับปัจจุบันขณะอยู่กับขณนะขณนะะนั้นลองทํานะทั้งใหญ่ทำทีละครั้งรู้ทีละครั้งจบลงทีละครั้ง นะลองทำจริงๆแล้วลองสังเกตสุดท้ายพออาจารย์ตีะระฆังแป้งเลิกเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันเร็วกว่านานเนี้ยแปบเดียวเองไรเงี้ยเข้าใจั้มเอาจิงจริงพร้อมนะสังเกตทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราดีๆ นี่คืออาจารย์ลองสรุปให้นะอั น, นิส่งของการใช้ความรู้สึกเคลื่อนหยุดของกายเป็นกรรมฐานเนี่ยมีอะไรบ้างหนึ่งก็คืออริยะบททั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะใหญ่หรือย่อยแม้จะลมหายใจเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปสร้างมันใหม่เข้าใจไหมอสองก็คือ เมื่อใจมันกลับมารู้อยู่กับสิ่งนี้บ่อยๆคืออาการเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดเนี่ยจึงได้ชื่อว่าเกิดวิหารธรรมคือใจรู้ว่าฐานอยู่ที่ไหนและจะกลับฐานได้อย่างไรข้อ3เมื่อใจกลับมาแล้ลึกรู้อยู่กับความรู้สึกเคลื่อนหยุดนี้บ่อยๆจะสัมผัสรู้ ได้กับการคืนสู่สภาวะเดิมคือรู้เฉยๆข้อสเมื่อใจกลับมารู้เนื้อรู้ตัวมากขึ้นจะเกิดการสังเกตเห็นเดี๋ยวค่อยว่ากันค่อยๆจดไปนะ บางไหมเนี่ยพระอาจารย์บางไหมไอ้บางเนาะได้ถึงข้อไหนแล้วขยับได้ไหมเผื่อคนต่อไปได้แล้วฮะไม่ทันข้อสองเหรอฮะอุ้ยเขียนช้าขนาดนั้นเยอะอ๋ออะไร ข้อสเมื่อใจกลับมารู้เนื้อรู้ตัวมากขึ้นจะเกิดการสังเกตเห็นความแตกต่างของอาการของกายและอาการของจิตที่มีการงานมีลักษณะธรรมชาติมีหน้าที่มีอาการที่แตกต่างกัน การที่เราฝึกให้จิตเรากลับมารู้กับอาการกิริยาเคลื่อนไหวเนี่ยบ่อยๆตัวอาการกิริยาที่มันเคลื่อนไหวหรืออิริยาบุเหล่านี้เนี่ยมันไม่ไปโบกไม่ลบเพราะนใจที่กลับมารู้อิริยาบุตรนี้มันจึงทําให้ใจฝึกที่จะเรียนรู้ที่จะรู้เฉยๆเข้าใจไหมรู้เฉยๆรู้เฉย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 ข้อเมื่อแยกกายแยกจิตเมื่อแยกกายแยกจิตเป็นก็จะสามารถเริ่มสังเกตเห็นความเป็นทุกข์ของกายที่เรียกว่าความทนอยู่ไม่ได้ทนอยู่ยากที่จะปรากฏขึ้นกับกายในลักษณะที่ต้องบีบคั้นให้เกิดการเปลี่ยนอิรีาบุตร อ่านต้องไหนไม่ออกบอกเลยจ้าพระอาจารย์พอจะอ่านลายมือตัวเองออกอยู่ข้อ4บรรทัดที่ yep> 2แป๊บนึงโอเคบรรทัดที่ 2, <S 2> ได้ไงมันจะต่อเนื่องจะเกิดการสังเกตเห็นความแตกต่างของอาการของกายและอาการของจิต แ, แตกต่างของอาการใช่ไหมสงสัยตัวอาการใช่ไหม ม, ห ม, มันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนเป็นหัวใจใช่ของอาการของกายและอาการของจิตที่มีการงาน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 กายก็มีลักษณะาการงานมีลักษณะธรรมชาติอย่างหนึง่งอ๋อจิตก็มีลักษณะาการงานมีธรรมชาติอีกอย่างหนึง่ง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 ข้อสีใหม่อะไรนะข้อ ส, อสีไม่เสร็จอ้า ให้เกิดการเปลี่ยนอิริยาบถหรือมีภาวะความเป็นทุกข์ที่แสดงออกในส่วนต่างๆของกายในรูปแบบอิริยาบถหรืออาการต่างๆที่เราไม่ได้กำหนด ว่าจะพิมพ์เอาก็แบบกลัวไม่เป็นออริจินอลลายมือแล้วนี่แหละ เดี๋ยวต้องรีบออกหนังสือเล่มใหม่แล้วเนี่ย<ม>เดี๋ยวมันจะหมดยุคตั้งชื่อไว้ว่าธรรมะ 4G เดี๋ยวมันจะเข้า 5G แล้วฮะ อ, อ, อ่มันธรรมะ 4G ฮะคนอื่นก่อนถามคนอื่นก่อนว่ายังไงผ่าน ออที่ไปแล้วก็ห้าไปอ่ะอไล่ิน่นาะทั้งนัน้นอ้าวไ ป, ไปในรูปแบบิรยบทหรืออาการต่างๆที่เราไม่ได้กำหนดแต่มันกลับสามารถที่จะแสดงอาการของมันเอง<ป>เพื่อให้เห็นความเป็นทุกข์แห่งกายที่เกิดขึ้นอยู่ทุกขณะ ในตอนนี้เราจะสามารถเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เกิดขึ้นกับกก่ได้ที่ว่าจะทำสัมมาสีจีเนี่ยก็คือจะรวบรวมต่อมาแล้วทำเป็นเล่มเดียวฮะทำไมนะไม่เคยมีหนังสืออาจารย์เหรอ Oh. Oh, อ้ผมเพิ่งเจอกาะจายครั้งแรกอ๋อก็ธรรมดาฮะเพิ่งเจอครั้งแรกก็ยังไม่เห็นหนังสือกันคนเก่าๆเขาได้กันเป็นคอลเลคชันไปแล้วฮะก็ธรรมะ 4G นี่ก็คือ G แรกก็พระพุทธเจ้าคนระ first generation น่ะใช่ไหม G ที่สองก็หลวงปู่เทียน จีที่สามลงพ่อคำเขียนจีที่สี่กับอาจารย์นี่แหละก็เรียบเรียงรวบ ร, รวมออกมาเป็นสักเล่มหนึ่งก็ดีฮะรวมเล่มก็ว่าสี่จีชื่อเท่ดี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 ในรูปแบบอิริยบทหรืออาการต่างๆที่เราไม่ได้กาหนดแต่มันกลับสามารถที่จะสแสดงอาการของมันเองเพื่อให้เห็นความเป็นทุกข์แห่งกายที่เกิดขึ้นอยู่ทุกขณะในตอนนี้เราจะสามารถเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เกิดขึ้นกับกายได้ข้อที่หกเมื่อกาหนดรู้ เมื่อกำหนดรู้ทุกกายได้ก็จะบำบัดทุกกายในแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละขณะซึ่งแน่นอนว่าการกำหนดรู้ทุกกายแล้วบำบัดนั้นจะทำให้เราไม่เกิดทุกข์ใจซึ่งจะมีผลโดยตรงกับการกำหนดรู้ทุกข์ใจแล้วละที่สมุ ท, ทยัยเดี๋ยวค่อยอ่าน โอเคไหมขยับอีกหน่อยไหมได้ไหมขยับครึ่งหนึ่งได้ไหมข้อหกจะได้หมดข้อห้ายัางเต็มเปี่ยมอยู่อะไรลอกช้าเพื่อนพระอาจารย์เนี่ยมันลอกกับหัวได้เลยจริงเขาสามารถลอกกับหัวได้นะอาจารย์เขียนอย่างเงี้ยเขาหันหัวชนอาจารย์เลยนะ แล้วเขียนตามได้ด้วยนะทักษะมันมางแต่ปหนึ่งเลยนะเพื่อนคนเนี้ <c oughs> ทักษะกระบวนการรอกงงมากเลย <c oughs> เขาสามารถมองแล้วเขียน <c oughs> เขาสามารถเขียนได้เลยอะ่ะ <c oughs> ตอนหลังมาอาจารย์เพิ่งพ อ, น <c oughs> อเนี่ยเ <c oughs> มื่อเร็วนี้ เ, <c oughs> เพิ่งรู้ว่าโอ้คนที่มีลักษณะทักษะแบบนี้เนี่ยมันมี มันเป็นภาวะหนึ่งเออเป็นเป็นโรคอย่างหนึ่งเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นคนพิเศษอย่างหนึ่งเรอก็ต้องใช้คาว่าไม่ใช่โรคสีมันเป็นความพิเศษอย่างหนึ่งที่เขาที่เขาจะมีความพิเศษลักษณะนี้ที่เขาสามารถที่จะอ่านกลับหัวได้อ่านกลับล่างกลับอะไเออเขาสามารถทาได้เลยเราก็เห็นเพื่อนเราทำมาตั้งแต่ปหนึ่งปอสองปอสามมันก็รอกของเรานะ ลอกเอลยดิลอกอยังไงวะท่านที่จะมานั่งข้างๆเรามันหันหัวหาเราเลยแล้วลอเขียนไปมันก็เขียนตามได้อ่ะโอ้วันเก่งมากเลยมันเอานิ้วชี้ตามเลยนะมือมือซ้ายนี่ชี้เลยมันเอามือซ้ายนี่ชี้ชีแล้วมันก็เขียนเขียนเขียนเขยนเขียนเขนอ้ะเก่งมากเลยอขยับอีกนิดละงไงต่ได้เห็นกรหงกหมดเลย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 ปัญหาคือพอเรากําหนดรู้ทุกกายไม่เป็นกําหนดรู้ทุกใจไม่เป็นเนี่ยมันก็จะทําให้เราบำบัดทุกกายไม่เป็นละทุกใจไม่ได้สุดท้ายทุกกายก็มาเป็นทุกใจทุกใจบีบคั้นจนกายมันป่วยตามก็มีเข้าใจไห ม, มเพราะว่ามันแยกไม่เป็น เคยได้ยินคำว่าเครียดลงกระเพาะไหมความเครียดเป็นความทุกข์ใจแต่มันกลับส่งผลที่กายได้ใช่หรือไม่เพราะว่าเวลาใจมันทุกข์มากๆนี่ร่างกายมันแปรปรวนเลยนะแปรปรวนเลยเหมือนคนเป็นไมเกรนอะ ไมเกรนเกิดจากอาการเครียดทางจิตใจนะล้วส่งผลให้เกิดอาการปวดหัวหลายคนมานั่งยกมือสั่นจะบอกกับพระอาจารย์นะ่ะหายนละหายไมเกรนเลยโลกกรคกำโรคเวีนก็หายนะจริงมีเจ้าคนหนึ่งเขาเขามีอาชีพไปแทงปลาภายเรือแทงปลาตอนกลางคืนนะ่ะ ที่เบึงลหาร n ทีชียรย์คูมเสร็จแล้วเขาก็จะเกิดอาการปวดแขนอปวดปว ด, ปวดไม่หายไปหาหมอกี่ที่กี่ที่ก็ไม่หายหมอทุกชนิดทุกทางเลือกไม่หายสุดท้ายมันเมาแล้วขับเลยถูกจับคุมประพฤติและส่งมาบับัดส่งส่งมาฝึกขัดอบรมที่วัดพระอาจารย์ ใช่ไหมพอดีเข้าช่วงโครงการบวชตราไวในหลวงพอดีเขาเอาเลยจับมันบวชซะ mm hmm. เขาก็ยอมบวชนะนั่งยกมือเขาปวดแขนปวดแขงเขาไม่อยากยกด้วยเขาปวดแขนไงเราก็บอกทาไปเฮ้ยพาทำทุกวันทุกครั้งที่พาปฏิบัติเสร็จตกเย็นแล้วก็พาอุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมในเวรด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัตินี้ ปฏิบัติสมาธิภาวนาวิปัสสนากรรมฐานนี้ขอบุญกุศลนิจจูงสมเด็จเจ้ากํามนายเวณข้าพเจ้าทั้งหลายทุกวันทุกวันจนกระทั่งผ่านไปวันที่เข้าวันที่หกมันบวชแปดวันนะบวชแปดวันเข้าวันที่หกคืนวันที่คืนวันที่เจ็ดจะศึกเราะศึกล้ว แล้วบอกมาวันนี้เอาให้เต็มที่เลยเฮ้ยหกทุ่มให้เลิกทั้งใจนะพาปฏิบัติก็นั่งทาตั้งจิตอธิษฐานเลยเฮ้ยขอบุญกุศลครั้งนี้จะตั้งใจปฏิบัติจนถึงหกทุ่มเนี่ยมอบให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหมดเลยว้ยาวันบอกครับมันก็ตั้งจิตอธิษฐาน มนันนางยกมือยกไปยกมาเนาะพอใกล้จะหกทุมมันบอกเสียงดังกุดเลยนะบอกถึงดังกุดปุ๊บ ม, มันหายเลยมันหายเลยเฮ้ยผมหายแล้วผมหายแล้วยกผือผมหายแล้ว น, น้ำตาไหลพากพากเลยผมหายแล้วผมหายปวดแล้วผมหายป่วยแล้วผมหายป่วยแล้วบอกเออดีแล้ว เพราะคำอธิษฐานของเธอบุญที่เธอทำมันเยอะมันแรงมันจึงมีผลอ่า น, นี่ไม่ใช่เรื่องเล่นนะนี่เล่าจริงๆนะเกิดขึ้นที่วัดจริงที่ชัยยอภูมิวัดพระอาจารย์ยกปวดแขนเออยกไป ไปหาหมอมาหาหมอแผนปัจจุบันหาหมอแผนโบราณนวดก็แล้วประครบก็แล้วฝังเข็มก็แล้วยาก็แล้วโน่นนี่เหลือแต่ผ่าตัดยังไม่ได้ทำมันจนมันคิดว่ามันเป็นมะเร็งก็เข้ากระดูกตรงนี้หรือเปล่าอะไรมันไม่หายยกให้ยกมาหายเลย อุทิศบุญอุทิศบุญพระเจ้าจึงบอกว่าโรคของคนเนี่ยมันมีหนึ่งก็คือลมมันกำเริบดีมันกำเริบน้ำเหลืองธาตุดินธาตุลมไปแา้วธาตุน้ำธาตุลมไปแล้วอันสุดท้ายเนี่ยพระองค์บอกว่ากรรมเข้าใจไหมกรรม เป็นผลแห่งกรรมความเจ็บป่วยนะั้นเป็นผลแห่งกรรมเหมือนกันนี่แหละเอาเสร็จยังนี่เสร็จแล้วใช่ไหมหมดแล้วยังเรียบร้อยอยังเ อ, อเราไปอ่านทบทวนดูเอาเองนะไปไปพักเฮ้ยพรุ่งนี้มันเป็นอะ น, นี้นะเรื่อแจ้งข่าวหรือยังฮะแจ้งแล้วนะแจ้งแล้วเนาะพรุ่งนี้เราจะถันเช้าเร็วหน่อย ว่มันจะมีกิจกรรม